เราถึงมาเห็นว่าอ๋อมันเริ่มหนักหน่วงเพราะว่าเดินเพลินแต่พอเราได้สติปั๊บเราเริ่มมาปรับการเดินหนักเบาไอ้ที่มันซัดหนักก็ให้มันซอบขึ้นการเดินเร็วก็ช้าลงเพราะฉะนั้นที่ว่าความคิดมันก่อให้เกิดตัวเครียดได้อย่างไรก็ถ้าหากเราไม่วิเคราะห์เจาะลึกลงไปในระดับนี้บ่อยๆนะ มันก็จะไม่เห็นโทษของความคิดและความเพลินมันก็จะเพลินไปเรื่อยๆแต่การจเจริญสติทําให้เราได้ทราบว่าเมื่อเมื่อเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยมาปรับท่าทีให้เห็นตัวสติสัญญาหเห็นร่างกายที่มันตึงมันหย่อนมันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายจุดไหนเราก็เริ่มมาแก้จุดนั้น เังนั้นถ้าหากว่าเราไม่มาศึกษาเรื่องนี้เราก็จะอยู่จเจริญสติแบบเพลินๆไปอย่างงั้นแหละเราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่พอเราทําให้ถูกต้องมีการปรับบ่อยๆทําอะไรไปพักมันก็จะได้สติแล้วกลับมาดูตัวเองในขณะที่ทํำนี่มันหนักตรงไหนมันเบาตรงนั้นมันสบายตรงนั้นไม่สบายตรงไห น, นเราเริ่มแก้ การที่เราเดินเร็วก็เป็นปรับเป็นช้าลงนิดหนึ่งการที่เราลงส้นหนักก็ลงเบานิดหนึ่งการที่เราลงส้นมื่กี้ลงหน้าเท้าเราก็เริ่มสังเกตว่าเออการลงส้นลงหน้าเท้าต่างกันยังไงความตึงของขาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่เราสัมผัสได้ง่ายเนี่ยที่ไม่เวลาเราไปทํางานทําน้ทนทํานี่ที่เราไม่ได้กําหนดการแขนของเรานานๆมันก็จะเมื่อยใช่ไหม แต่ใหม่ๆก็ไม่เป็นไรพรานานๆพอเราเริ่มกำหนดรู้การเคลื่อนเราเห็นจังหวะหนักเบาเข้าออกเราก็เริ่มซอบเริ่มรับรู้ถึงการเคลื่อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเราจรึงไม่แปลกเลยว่าทำไมเขาตึ่งเป็นเพราะเขาเกิดความตึงในตัวอยู่ตลอดเวลาความร้อนเกิดตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะ เมื่อไม่กลับมาหาตัวเองเมื่อคนกลับมาลักษณะที่เพ่งจ้องให้สงบอันนี้ก็ไม่ใช่สติสัสมปชัญญะละแต่จุดเล็กๆ น, น้อยๆของเวทนาของกายมองไม่เห็นแต่ไปสติสมัมยาที่ถูกต้องคือจะต้องเข้ามาแก้มาปรับให้เกิดการผ่อนคลายได้สมดุลขึ้นนะเพราะนั้นในจุดนี้ถ้าใครนำไปซักซ้อมบ่อยๆมันก็จะเป็นการปรับการเจริญสติของเราที่ ถูกต้องแล้วได้ผลนะมันก็จะการผ่อนคลายทั้งร่างกายจิตใจเพราะฉะนั้นเราได้ผ่านการปฏิบัติบ่อยๆทำให้เราเราเลลึกได้เร็วขึ้นว่าเออขนะนี้เรากำลังเพลินนะเช่นเดินทางไกลเนี่ยเดินไปหลายหลายคนเนี่ยเราก็ลุ้นกันเดินตามเพื่อนไปมันก็ไม่เป็นอิสระแต่ถ้าเราเดินคนเดียวเนี่ย เ, เดินไปตอนแรกก็เดินคิดเรื่องน้นเรื่องนไปพอตื่นขึ้นได้เอเรามีการเดินอยู่ มันก็เริ่มกลับเข้ามาอย่างเนี้ยบ่อยๆคือเมื่อการกินอาหารทานเ พ, นเ พ, นเพนลินๆเนอะเราทานไหลไปกับรถเพลินไปกับรถแล้วก็กลับมาสังเกตรถคืออะไรการเคลื่อนไหวคืออะไรมาลําดับถึงการเคี้ยวลำดับถึงการกลืนมันค่อยกลับเข้ามาละมาดูรายละเอียดพอดูรายละเอียดขึ้น เราก็เริ่มเห็นสาระว่าเมื่อกี้เราหารเอารถอร่อยมันจึงเร็วเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรมันก็ไม่ไม่ได้กําหนดพอเราได้สติปั๊บดังนั้นการพิจารณาสองสามวะละเพื่อให้ได้สติในการจับเพราะฉะนั้นคนที่ยังสติยังไม่เข้มแข็งพอก็จะตกไปในาธาตุของรถก็คือรีบรีบรี บ, รบกินกลัวมันจะหมดรถจะก่อนทั้าหมดหมดรถจะก่อนเนี่ยหันไม่อร่อยนะ เคี้ยวไปเคี้ยวมามันไม่มีมันจืดมันชืดก็มไม่อยากทานแต่ความจริงเราดูอีกมิติหนึ่งเวลาเราทําเพื่อการศึกษามันก็จะช้าลงเมื่อให้เราความสาคัญแก่รถแล้วเนี่ยความสําคัญการทํางานของการเคี้ยวอาหารที่เคี้ยวนานๆมันก็จะเกิดเอนไซม์ขึ้นมาในอาหารการบดบ่อยๆนะ เันตัวเรล่านี้มเกิดลืมได้ธาตุอาหารขึ้นมาแทนที่เราจะได้แต่รสอร่อยเราจะได้คุณภาพของอาหารนะจังหวะของลมหายใจแต่ว่าเราติดเรื่องปรุงรสมาตลอดมันไม่เผ็ดก็อยากให้มันเผ็ดมันไม่เค็มก็อยากให้มันเค็มมันไม่หวานก็อยากให้มันหวานเดือดรนเดือดร้เพราะเราเพลินในรสตรงนี้ก็เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บหละนะเพราะฉะนั้นลองลองดูอีกรอบนะ ลองเดินดูว่าระหว่างที่เดินไปไม่ขี้เดินไปเนเพลินกับเดินแบบตั้งใจรู้เนี่ยสังเกตให้ดีไรีรู้ลำดับของการหนักเบาเข้าออก ว่าต่างจากรอบแรกรอบเมื่อกี้ไหมอยากจะสังเกตเห็นความต่างไหมมีความต่างชัดเจนไม้มว่ารู้สึกไงเบาขึ้นกับรอบแรกใช่ไหยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําการวิจัยไปในตัวถ้าเราไม่วิจัยไปตัวเราก็จะเพลินเพลินก็กลับมาทุกอย่างเพราะเรา ได้ตัวอย่างสักเคสหนึ่งหรือเคสสตาดีเนี่ยสักเคสหนึ่ ง, งในเคสต่อไปแล้วก็เริ่มมีการพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่เรื่องไปตลอดถึงการพูดกับเพื่อนที่กำลังพูดที่เราไม่เคยจับให้ชัดๆว่าว่าเราพูดเราก็ไหลไปตามเรื่องแต่เราไม่เคยหยุดสังเกต กายใจของเราแต่ถ้าเราอยู่สังเกตุงี้บ่อยๆคู่สนทนาเราก็จะหอยสโลไปกับเราด้วยนะแต่ถ้าเราเราตคนต่างเพลินมันก็ไหล ไ, ไปตามอรมชทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเองมันถ้าหากว่าเราทำแบบวิจัยชีวิตของเราจะมีนะอยู่นิสสมนสิการโ ด, โดยโดยธรรมชาติเลยนะ เขาใช่เรากลับเข้าสู่ที่นั่งวันนี้เราอาจจะทาอาหารตอนสายเลยนะสักแปดโมงแล้วเพราะว่าเราก็จะปิดโปรแกรมไปเลยพอทานอาหารแล้วก็ไม่ไมต้องกลับมาอีกพอหลังจากประเมินช่วงเช้าเสร็จแล้วก็คุยกันเรื่องการเลือก ง, งานให้เรียบร้อยกับไปทานอาหารก็ปิดโปรแกรม ก็าอาจจะไม่ใช่เจโมงลอาจจะเป็นแปดโมงก็จะเสร็จจนะากการที่เราได้ประเมินผลกันโดยรวมอีกครั้งหนึง่งวันนี้เริ่มแต่สิ่งนี้เริ่มจากยมจวบเป็นต้นไปเนาะาไปเรื่อยๆคนไหนที่ยังไม่ได้ประเมินเมื่อวานก็กลับมานางังครั้งนี้ นั่งให้สบายเดี๋ยววางนั้นก่อนก็ได้ introduction หน่อยต้องใช้มือด้วยเอาใช่ใช้มือด้วยอ่ะเขาวางไว้ก่อนเลยแล้วใช้มือปิดเครื่องก่อนปิดไมค์ก่อนเอก็แนะนำนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะพูดเรื่องรายงานนี้เป้าหมายเพื่อที่จะได้ นำเสนอผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายถ้าเจ้าที่จำได้นะแต่ละวันเกิดเหตุทุกอย่างไรแล้วกแก่อย่างไรเราก็อะไรเป็นเหตุเท่าที่จำได้นะแล้วก็สรุปถึงผลรวมวันสุดท้ายแล้วสมมติว่าทั้งที่เหตุของทุกที่เราทันและไม่ทันแล้วกแก้ได้ไม่ไดร้รวมแล้วในคอร์สนี่เรา มีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะจากคอร์สนี้นะไม่ได้รวมกับคอร์สอื่ น, นเฉพาะคอร์สนี้แหละว่าในแต่ละวันสมมุติว่าเหตุทำให้เราลืมตัวสิครั้งเนี่ยเราแก้มันได้กี่ครั้งถ้าสามารถจำได้ในแต่ละครั้งนะเหตุอะไรบ้างเนี่ยก็ยิ่งดีนะาความว่าเรามีการศึกษาอย่างละเอียดนะ ทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างเร็ดวันวันหนึอะไรไม่ได้เลยทั้งจําได้บางวันทั้งเหตุการณ์วันเกิดไปเลยร้อยเรื่องแต่เราไม่จําไม่จําได้สักเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่แยบคายนะไม่แยบคายเพราะะน้นอยู่ที่วัดเนี่ยมาจะมีเรื่องทำโน่นทำนี่เรื่อยๆบางครั้งพระเห็นนล้วทำไมพ่อหาเรื่องเรื่อยๆไม่เห็นหยุดไม่ย่อนเลยคือทั้งการทําวิจัยอ่ะพราะเรานับเป็นนักปฏิบัติ วิจัยอย่างนี้มันก็เป็นผลออกมาให้เราได้มาสรุปให้แก่ผู้ปฏิบัตินะแต่แล้วจะมานั่งสร้างจังหวัดเดินจงกรมกลับไปดูน้ําดูไฟดูความสะอาดตรงโน้น ต, ต, ตรงนี้มันก็ได้งานด้วยได้ปฏิบัติด้วยแต่สัมผัสกับของจริงสัมผัสของจริงเนี่ยมันไหลง่ายกว่าใช่ไหมแต่ว่านั่งใจปฏิบัติไม่เคยไหลแล้วเพราะเรามีข้อระวังอยู่แต่ไปสัมผัสเรื่องนั้นนี้มันก็ไหลไปแต่ทีนี้ก็จะรู้ทันล่ะมันก็ อันไหนที่มันเสียเส่ยงๆเนี่ยเราไปทํามันนั้นเรามันเป็นความท้าทายตรงที่มันมันไหลยังไงบ้างเรามันก็ออกอาการสมจริงอะ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่เม่เอาเนี่ยมันนั่งสร้างเรื่องเอาเออถ้ามันถูกก็ถูกจริงๆมันผิดก็ผิดจริงๆไม่ใช่มาสร้างสมมุติถูกสมมติผิดขึ้นมานั่นคือนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีทักษะระดับหนึ่งะนะถ้าทักษะตรงความรู้สึกตัวไม่เข้มแข็งเราไปทํางานมันแน่นอนไหลแลนะ้วเอร์เซ็นต พอจะรู้ตัวอีกทีว่านั่งห่อแห้งบ่นให้คนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ทำอะไรก็ไปของมันเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำเพื่อเป็น case study เนี่ยใครจะช่วยไม่ช่วยก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราได้กำลังศึกษาอะไรสักอย่างอยู่มันก็ทำให้เราสนุกได้ทั้งวันการเจริญสติใช่ั้ยอันนี้คุณประจวบในช่วงหกเจตวันห้าหวันที่ผ่านมาเนี่ยพอจะจาอะไรได้บ้างก็เราให้เพื่นฟังล้วประมวลผลว่า จนมาถึงวันนี้เรามีความก้าวหน้าถอยหลงังอย่างไรไม่กราบนรัต ก, การหลวงพ่อและพระอาจารย์ทุกรูปตลอดจนแม่ชีและสวัสดีญาติธรรมทุกท่าน ผมชื่อประจวบนะครับภรรยาผมพาผมมาครับปุ่มไม่ได้มาเองรถ <st> ไปซ่อมมาแท็กซี่ <st> ครับแท็กซี่พามา <st> คืออย่างนี้ฮะมีมีปัญหาเท้าเท้าความเดิมนิดหน่อยคือ คือโยมเปลี่ยนสุขของหลวงพ่อเนี่ยนะแกแกจะมีปัญหามาถามธรรมะผมแล้วอาจารย์วรุณีด้วยเวลาผมอธิบายไปสรุปก็บอกว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องของก็ประจําแล้วก็ ที่ไปที่วัดถ้ำหน ก, นกันผมนำเสนอบอกว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยนะไอ้ไตลักษณ์ไตสีขาเนี่ยมันอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไปเปิดสวิตไฟแล้วมันก็สว่างมันก็มันก็เห็นหมดก็พอทางนี้เขามาเขาบอกว่า พี่พูดอะไรนะี่ยเขาไม่รู้เรื่องกันเลยตอนนี้ผมก็บอกเอเวลาอธิบายที่บ้านผมก็บอกว่าเอ้มันน่าจะรู้นะบอกงั้นก็บอกเขายังไม่รู้เลยอาจารย์อรีก็ฟังอยู่เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกงั้นนะตอนนี้มันก็เกิดเกิดเรื่องผมก็บอกว่าน่าจะรู้นะบอกงั้นแค่นั้นเองหนะ่ยเขาบอกว่า แบบนี้มาว่าเขาโง่ดิวังงัเกิดเรื่องเลยตอนนี้เกิดเกิดเรื่องยาวเลยไปใหญ่เลยเกือคล้ยว่าเรื่องธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยยุ่งเลยว่างั้นตอนนี้วันนี้นะความจริงผมตั้งใจว่าไม่พูดดีกว่าว่างั้นนะถ้าพูดไปนะยิ่งสามคืนสามวันพูดไม่จบเพราะว่า ปกติที่ไปจากวัดถ้ำมาหลวงพ่อพาไปขึ้นพาไปขึ้นเขาเอ๊ทัมโบแดงอะไรเนี่ยนะผมก็จับความได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยใช้ลมหายใจประคองในการทำสมาธิทั้งหมดขึ้นบันไดแต่ละขั้นละขั้ น, ล ะ, นละขั้นเข้าไป เพราะพอหลังจากผมกลับมาเนี่ยนะผมก็มาสังเกตอาการกายอย่างเดียวเลยเอาอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวทุกวันตั้งแต่กลับมาน่ะนะวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะวันหนึ่งวันหนึ่งทุกวันก็ปรากฏว่าพอมาเข้าคอร์สที่นี่ผมก็ยังแปลกใจผมบอกหลวงพ่อบอกว่าติดผมตั้งมั่นมากเลยนะ ดีตลอดเลยไม่มีไม่มีปัญหาเลยแต่นี้มันมาพลาดอีตรงตรงที่ผมไปคิดเอาเองว่าที่มาที่เนี่ยนะห้าวันผมไปคิดเองว่าห้าวันแล้วผมพอวันที่ห้าปั๊บผมก็ แต่งตัวมาเลยวันนี้กลับบ้านวันนี้กลับบ้านพอพอมาบอกเอ้าไม่ไม่ใช่แล้วจำจำาผิดแวันนี้ก็อบอกว่นผมบอกเอ๊ะผมเตรียมมาแล้วนะผมกลับได้เลยในงานมันก็ทําให้เอ๊ะแสดงว่าเราติดอารมณ์แล้วตอนนี้อารมณ์ตรงนี้สําคัญมากเลยติดออกไม่ได้ พอออกไม่ได้เนี่ยก็กลับไปกลับไปกลับไปที่ห้องก็มันคงมันคงมันคงทําอย่างนี้ไม่ได้กลับไปพอกลับไปที่ห้องก็ฮพอไปถึงที่ห้องก็เอาของไปวางแล้วก็ถือกระติกมะอันกระติกน้ําร้อนอะกลับมาก็เดินกลับมาใหม่ แต่ที่ติงตั้งใจจะมาหาหลวงพ่อบอกสอบตกว่างั้นว่าแน่ๆมาห้าวันเนี่ยตกจะมาบอกหลวงพ่อพอบอกว่าดวงช่วยหลวงพ่อมียามีมีโยมม า, มาสู่สี่คนผมก็ผมก็ไม่ไม่ผมก็เปลี่ยนไปะติน้ำร้อนนะนะ ผมก็ไปเทคือกลับไปที่ที่กรติกกลับไปนี่ที่ไอ้ที่กาน้ําร้อนฮนะผมก็เอาน้าร้อนเททิ้งเทเทกลับคืนไปแล้วผมก็มาลองใหม่มาลองตอนตอนสตินะทางสติตลอดเลยพอมาลองไอ้ตรงน้ําเปล่าเนี่ยนะพอมาลองน้ําเปล่าปั๊บอ๋อวู้บกลับมาใหม่เลย ไปความรู้สึกตัวเดิมอนนะที่ผมได้ทุนมาตั้งห้าวันน่นนะอันนั้นม่กลับมาลุบเลยแล้วก็ลงบอกโอโ้โหแสดงว่าตัวเองเนี่ยไปติดสมมุติหลงสมมุติอยู่ต้องงานกลับมาม า, มาเจ อ, อ่างนี้คล้ายๆไปหลงสมมติก็คือว่า ไปคิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนั้นน่ะนึกออกปะพอวันวันอาทิตย์ปับ๊บต้องไม่มาทํางานต้อหยุดแต่ที่ไหนได้วันเสาร์วอาทิตย์ไม่มีเขาเขากําหนดหลอกมางั้นเองแล้วก็พอมารู้อย่างงั้นแบบเอากลับไปนะเอาน้ํากลับไปก็เดินกลับไปกลับไปกลับไปออวไอ้น้ําร้อนกับน้นําเย็นนี่เหมือนต่างกันตรงนี้เองว่ะ คือสรุปคล้ายว่าน้ําร้อนเนี่ยถ้าเอาก้อนหินใส่ไปเนี่ยนะมันจะลน้นมันจะล้นออก น, น้ําำจะล้นออกแต่น้ําเปล่าเนี่ยที่กลับไปร้องใหม่เนี่ยเอาหินใส่นะไม่ล้นนะคือความรู้สึกตัวของเราเนี่ยรักษาไว้ดีรักษาให้มัน่นอย่าขาดสตินะถ้าขาดสติหลุดไปอย่างอย่างอย่างไปหลงสมมติอย่างเนี้ย คือสรุปง่ายๆก็คือว่าผมเนี่ยป้องกันทางด้านมโนทวารเนี่ยผมป้องกันหมดเลยไอ้มโนทวารเนี่ยป้องกันไว้หมดเลยแต่ที่ไหนได้ศัตรูมันมามันมาข้างล่างมโนวิญญาณมาปั๊บผมน็อกเลยไปไม่ได้เลยกว่าจะมาตั้งหลักได้เดินกลับไปกลับมา จนจนจนมาลองน้ำเนี่ยถึงได้รู้ถึงได้กลับคืนมาแล้วหลวงหลวงพ่อก็เลยบอกว่ายมยมอยู่ต่ออะไรกันที่พูดในตีกลางนะอยู่อยู่ต่อพออยู่ต่อปั๊บหลังจากนั้นนะพออยู่ต่อปรากฏว่าได้อะไรอีกเยอะเลยปรากฏว่าคือสรุกงไงคล้ายว่า ผมอ ย, อยู่ที่บ้านเนี่ยผมฝึกตามรู้อาการกายเลยนะตามอย่างเดียวเลยนะตามอาการกายตามอาการกายอย่างเดียวพอมาที่นี่พอ ม, มาฝึกแต่นี่หลวงพ่อบอกว่าเอ้ยห้ามนอนนะเตียงอะนอนเดี๋ยวหลับผมบอกอืมในหลับมันก็ต้องมีตื่นอยู่เพราะว่า ถ้าคนหลับเนี่ยถ้าคนไปเขยาข่าขาเนี่ยหรือไปเขยาข่าแขนเนี่ยก็ต้องตื่นแต่มันตื่นจากคนอื่นถ้าเราเราอยู่เราตื่นเองโดยที่เรียกเราขยับแขนขยับขาเองเนี่ยมันก็มันก็ตื่นมันก็ตื่นได้ผมก็ยกโทษ น, นะยกขาแว่งแขนอะไรเนี่ยแขนแต่ว่าสลับไปสลับมาแบบว่า อีกแขนนึงลงอีกแขนหนึ่งขึ้นเลยนะพร้อมกันเลยนะแขนสองอันเนี้ยตรงโน้นอันนี้ลงเลยนะแต่จะมีอีกอันหนึ่งขึ้นแล้วก็มันก็จะได้หงายอันหนึ่งคว่าอันหนึ่งปุรานอนนะมันจะได้หงายอันหนึ่งคว่ำอันหนึ่งแสดงว่าหลวงพ่อที่พูดเวียนไปเวียนมาให้ดูให้ดูมาลีด้วยพิษสีจม่าเนี่ยนะ มาเลี้ยวใหม่หลวงพ่อมาเี้ใหม่อันนั้นนะ่ะสอนผมตรงตรงเลยแบอบกว่าดูไปดูมาให้ดีนะดูตรงนี้ให้ชัด น, นะคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะผมก็รู้แล้วก็สรุปก็ว่าในในในการดูดูสิบสี่จังหวัดเนี่ยในสิบสี่จังหวัเนี่ยนะครับมันกลายเนี่ยนะมันคว่ำมหมดนะแต่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะ คว่ำเนี่ยมันจะมีหงายข้างไหนหงายพอข้างในหงายเนี่ยเรารู้เลยว่าไอตัวเวทนาเนี่ยหลุดแล้วเวทนาตัวเนี้ยหลุดออกไปแล้วไม่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงก็แล้วแต่มือเนี่ยนะอีกอันคว่ําและอีกอันอหนึ่งหงายตามปกติมือเนี่ยนะ คือกายกับใจเนี่ยถ้าควา่ำทางนี้ก็คว่ำทา ง, งายทางนี้ก็หายแต่ปา๋าโกดว่าสิบสี่จังหวัดเนี่ยคุณนทำเออทำไปทําไ ป, ท, าไปทําไปเนี่ยนะมีความจริงนะแต่ข้างไหนหา ย, ายพอข้างไหนหา ย, ายปั๊บแสดงว่าไอ้ตัวเชื่อมเนี่ยตัวเวทนาที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะเชื่อมเนี่ยมันไม่อยู่ตรงไปแล้วไม่มี เพราะมันต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่ได้คืออีกอันความอีกอันหนาเนี่ยต่ อ, อยังไงก็ต่อไม่ได้แต่ผมต่อไม่ได้นี่นะแต่ว่าวันที่ห้าเนี้ยแสดงว่าไอ้ตัวข้างในนี่เนี่ ย, ยไอ้ตัวไอ้ตัวข้างงานเนี่ยมันขึ้นมาเลยเป็นถึง อ, อ๋อผมเลยเข้าใจเลยว่า อ, อ๋อธรรมะของหลวงพ่อนี่ที่บอกว่า ดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นทรรมดูกรรมไม่เห็นนิพพานดูกรรมเห็นนิพพานหมายถึงว่าคุณจะใส่เสื้อขาวหรือจะใส่เสื้อดําแล้วแต่ถ้าคุณไม่ทุกันเนนั่นแนะหละคือนิพพานคุณอย่าไปหลงนะว่าคุณใส่ชุดขาวแล้วใส่ชุดดําเนี่ยถ้าคุณทุกคุณใส่ชุดขาวยังทุกนะจะแสดงว่าไม่ใช่ใส่ชุดดำนะ่นทุกได้เพราะเขาไว้ทุกใช่ไหม เพราะฉะนั้นจุดเป้าหมายก็คือว่าเห็นนี้ผ่านก็คือว่าคุณจะใส่สีอะไรก็ได้แต่คุณไม่ทุกอันนี้ถึงตารงว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวที่ผมไม่รู้เนี่ยเพราะว่าดูอาการเนี่ยเห็นปรมาณเนี่ยผมไปเห็นแต่ปรมาณอย่างเดียวผมไม่ไม่ไม่ดูสมมุติเลยสมมุติเนี่ยมันมาเล่นงานผมผมหงายท้องเลยไปไม่ได้เลย จนกว่าจะได้เนี่ยถ้าโชคไม่ช่วยดันไม่ได้พอได้ปั๊บไอ้ที่หงายกคว้าเนี่ยหงายกความเนี่ ย, ย, ม, ยมันกลายเป็นยังไง ร, รู้เปล่าแสดงว่ากายกับใจเนี่ยนะตามปกติใจเนี่ยมันเป็นลูกน้องอยู่แล้วไอ้ใจเนี่ยเป็นนายกายอยู่แล้วแต่พอมา ถึงวันนี้นะพอมาสร้างแบบนี้พอมาถึงวันนี้รู้เลยว่าใจอ่ะยอมแพ้แล้วเป็นลูกน้องกายแล้วเพราะกายเนี่ยมันหลุดถ้าพริกนี้มันยานะอย่าตามทันนะทําไปทางนี้แกก็อย่ามานะคล้ายๆแบบคว่ำทางนี้หงายไว้ถ้าทางนี้หงายทางนี้คว่ำคือ หลวงพ่อเทียนเพื่อรู้สื่อเสื่อตรงนี้ความกับหงายเนี่ยพอทางนี้หงายทางนี้ความอันนี้ก็ทําให้รู้ว่าอ๋อไอ้กายกับใจนี่เมื่อก่อนเนี้ยใจเป็นนายตอนนี้เข้าใจแล้วกายกลายเป็นนายแล้วเพราะเกิดจากที่เราเนี่ยมีแค่นี้ครับผมบอกแคว อามาไปร่วมวงกับโยมเปี่ยมโยมปุ๊กโยมจวบนะเราก็จะทชเลา อ, อ ก, กันอีสามคนนะแต่ว่าประเด็นที่ยยมจวบพูดเนี่ยเป็นภาษาปรมัตานะอย่างเช่ว่าข้างนอกค่้มข้างในมันหงายก็หมายถึงว่าตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวห่ายแต่ร่างกายจะควมจะหงายเนี่ยมันเป็นตัวสมมติใช่ไหมเป็นแต่ก่อให้ ให้เกิดตัวรู้เท่านั้นถ้าหงายขึ้นมันก็สว่างรู้ใช่ไหมคล่อมมันก็มืดแต่ประเด็นนั้นหนึ่งที่น่าจับได้ก็ว่าทั้งใจรักกับใจสื่อขานมันเป็นทำชุดเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมยุ้มจบผลืออกมานิดหนึงอ่ะมัอนสวิตไฟสวิตเดียวกันอ่ะมันจะทํามืดก็ได้สว่างก็ได้มันอันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราเอาลงเมันมืดเอาขึ้นมันสว่าง ควบมันมืดไ ง, งมันสว่างมันอารมณขึ้นนี่นะทุกอย่างมันเป็นอันเดียวกันเพียงแต่เราเราต้องการใช้บางครั้งเราต้องการควมบางครั้งเราต้องการไงาบางครั้งเราต้องการมืดบางครั้งเราต้องการสว่างถ้าเราคอนวบความมืดความสว่างความควบไงายได้ตามต้องการนี่ยเขาเรียกว่าเราใช้มันเรารู้ปรามัดเราใช้มันเป็นแต่ถ้ารู้ใจสมมุติเนี่ยถ้ารู้ไม่รู้ปรามัดเราจะเราจะยุ่งหมดเลย เรารู้สมมติว่าเออวันนี้วันที่ห้าจะกลับให้ได้ไม่ได้กลับก็เจ้างุนหงิดแหละทีนี้ใช่พอรู้ปรมัดอ๋อวันที่ห้าวันที่เจ็ดมันก็คือสมมุติตัวเองมันก็หลุดใช่ไหมอันนี้เรื่ารู้ปรมัดมันก็จะหลุดออกมาจากสมมุติได้แต่คนไหนไม่รู้ปรมัตดก็ทําไมอ่ะสับสนไปเลยเนี่ยยาวเลยใช่ไหมเป็นเรื่องไปราวเลยนะพอมารู้ปรมัตดมาอ๋อความจริงก็คือสมมุติขึ้นมาอ่าเนี่ยมันมันก็หลุดแล้วจุดนี้สําคัญเอามา ให้คุณคุณพิชาที่โคราชเนี่ยเขาเป็นศิลปินเอกในการปั้นปั้นลวดลูปโ่เทียนแทนที่ ม, มาจะใช้แบบนี้นะทางจะมาใช้แบบนี้อันหนึ่งขั้วอันหนึ่งไงคือหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สมมติมันจะทำให้คนมืนสอนประวัติคนไงแต่ชีวิตจริงของเรามันต้องใช้ทั้งสองอย่าง บางครั้งเราต้องการมืดบางครั้งต้องการสว่างพอถึงเวลานอนหลับเราเปิดไฟลุนอนไม่หลับปิดไฟใช่ใช่ไหมพอไฟนี่อา้าวข้างนอกมันสว่างแล้วปิดไฟใชบางครั้งเราก็ต้องการดับบางครั้งก็ต้องการเกิดแล้วมันมืดเปิดไฟไเพราะฉะนั้นเราใช้สมมุติปรามทัยเหมือนเหมือนเราใช้เปิดใช้ปิดตามที่เราต้องการเรียกว่ารู้ปรามตัดคือใช้สมมุติได้ตามต้องการอเออทําไม บางคนว่าใส่สุ้อดำเอาเพื่ออะไรเพื่อไว้ทุกามาก็ยเยอะทำไมคุณไม่ไว้สุกกันว่ะไงทําทไมไปไว้ทุก <c oughs> ทําไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไว้สุกเราต้องคันสุกอะไปไปไว้ทุกให้แก่กันไอ้ฟองเนี่ยมันก็เป็นคําปรมัดใช่ไหมแต่สมมุติก็คือเอาสัญลักษณ์มาจะไว้สุกไว้ทุกเป็นเรื่องสัญลักษณ์ดังนั้นจุงนี้แหละที่ต้องการให้มารู้ปรมัติเพื่ออะไรเพื่อจะใช้สมมติให้เป็นสมมตินะ่ะมันมันเยอะ เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรับไม่ท่วนแต่ประมาติเนี่ยมันมีเหตุหนึ่งมันก็มีอันหนึ่งเหตุหนึ่งมีอันหนึ่งเราสมมติว่าการค้อ ม, มือเป็นสมมติการหงายมือเป็นปรมาติเพื่อจะรู้ว่าควอมืกับหงายเนี่ยมันก็อันเดียวกันแต่เราเวลาเราใช้เนี่ยแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะให้ใช้อะไรใช่ไหม อ่าสุขบางครั้งเราต้องการใช้ทุกบางครั้งก็ต้องการใช้ทุกต้องการใช้ตัวไหนเวลาคุณไปทํางานเนี่ยคุณต้องทุกต้องใช้มันใช่ไหมถ้าคุณไม่ยอมทุกเลยคุณจะมีอยู่มีกินไม่ได้คุณจะทํางานไม่ได้คุณไม่ยอมทุกเลยบางครั้งก็ต้องใช้ทุกเปิดเสมือนข่้วใช่ไหมไม่ทุกเปิดเสมือนหงายสุขก็เปิดเสมือนข่้วไม่สุขก็เปิดเสมือนหงายไม่สุขม่ไหมายถึงทุกไม่ทุกไมันหมายถึงสุขแต่เขาไม่สุขไม่ทุกคือเหนือสุขเหนือทุก เพราะนั้นเหนือสุขในทุกขเป็นการหง่ายสุขทุกข์ก็เป็นการข่มอยู่เพราะนั้นเราใช้บางเหตุบางการเท่านั้นเองเข้าใจได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องปรามัตดเข้าใจยากคนไม่รู้ปรามัด <c oughs> จะวุ่นวายถ้าดูเลยนะแต่รู้ปรามาัดอ๋อเป็นอย่างนี้เองเรารู้ปรามัตดเพื่อให้รู้ทันสมมุติเราใช้สมมตินะ่ะอันไหนที่มันจําเป็นมันก็เป็นปรามัดในขณะ น, นั้นอันไหนที่หมดความจําเป็นมันก็เป็นสมมติ อา้าวว่าอย่างนั้นนะทำไมว่างั้นไฟเนี่ยตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยเราเปิดมันจำเป็นใช่ไหมแต่พอมันสว่างแล้วยังเปิดอีกไฟหมดความจำเป็นแล้วไฟนันกลายเป็นประมัิไปเพราะหมดความจำเป็นอา่อาสมมุติอา่าต้องสนองความจำเป็นต้องการ อันนี้เองคนที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เข้าใจปร ม, มัดมึงสับสนวนไปวนมาไม่รู้จะเอาไงดีแต่พอเข้าใจปรมัดปับ๊บอ๋ออันนั้นเป็นสมมุติอ่ะเวลาเขาพูดมาไม่ถูกใจอ๋อมันก็เป็นสมมติแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้สมมุติไปไงก็ได้หาเรื่องได้ได้เถียงกันนะใช่ไหมแต่อีกคนนึงรู้สมมติอ๋อมันก็เรื่องสมมุติมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกนั่นแหละผูกก็ามาจากผิดผิดก็ามาจากถูกเหมือนหงายก็มาจากค้มข้มข ม, มาจากหงาย เราต้องการอะไรถ้าสมมติเขาพูดมามัน้ก็มีทั้งถูกทั้งผิดเราจะเอาส่วนไหนส่วนถูกเราก็ใช้มนส่วนผิดเราก็ไม่เอาเพราะมันเป็นสมมุติผิดมาทำให้เราทุกข์ซึ่งการมาปฏิบัติเพื่อได้สภาวะได้ความรู้สึกตัวคือได้ปรมาัตน์สั่งสมตัวปรมาัตน์ตัวปรมาัตน์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสติปัญญาและสติปัญญามันก็จะรู้เท่าทันสมมติปรมัตน์ว่า สมมติคือข้อที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาแต่ถ้าเราไปยึดเอาตามนั้นปับ๊บมันมีปัญหาแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ยึดปับ๊บอ๋อมันก็เป็นสมมติแล้วก็ปล่อยวางไปก็ว่ากันตามสังคมสมมติว่ากันตามกันดังนั้นถ้าในแง่ของวัตถุมันเป็นทั้งสมมติและเป็นทั้งปรมาธิ แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวในสมมุติโดยรูปเนี่ยเพราะ้นมมีสี่ใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถ์แต่ถ้าจิตกับรูปมาบวกกันเน่ยเป็นนามรูปมันเป็นอะไรเป็นสมมุติล่ะแต่ถ้ามันแยกตัวใครตัวมันมันเป็นปรมัตถ์นะแต่ถ้ามันมาสมรวมกันเมื่อไหร่แล้วมันกลายเป็นสมมุตินะถ้าแยกตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นปรมัตถ์แยกมาเป็นหนึ่งอ่ะ แต่ถ้ามันไปนคู่เมื่อไหร่แล้วมันก็จะเปสมุดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ระวังของคู่ทุกอย่างเกิดมาจากของคู่แต่ให้อยู่เหนือของคู่เราถึงจะใช้ของคู่โดยไม่ทุกทุกอย่างมันมาจะกเกิดการดับเราใช้เกิดในบางครัง้งใช้ดับในบางคราวใช้เปิดในบางครั้ใ ง, งใช้ปิดในบางคราวใช้ถูกในบางครั้งใช้ปิดในบางคราวก็ใช้ให้เป็นลักษณะใช้ให้เป็นนี่แล้วก็แปลงตัวปนมัตให้เป็นปัญญา รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้ปล่อยรู้วางเนี่ยเราก็มาฝึกตัวนี้แล้วก็อยู่ในโลกนี้แบบไม่มีทุกข์ใช้สมมุติแบบไม่มีโทษนี่นะมันการปฏิบัติคือสิ่งนี้นะเอาต่อไปไม่ฉี่เอาเอาไม่ฉี่พึ่งโอกาสหน้าโอกาสนี้เป็นไงอ๋อต้องทําหน้าที่นะโอกานโอกาสนี้คือทําหน้าที่อโอกาสนี้โอกา ส, สหน้าไม่มีละโอกาสหน้าก็เป็นเรื่องใหม่เอาไม่ชีว่าไง กราบน้ำพสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ทั้งสองและญาติธรรมด้วยนะคะเอ่อจะเล่าถึงว่าการที่ได้มาครั้งเนี้ยจริงๆแล้วคอร์สน่ะมันเต็มแล้วแต่นี้ได้เคยอธิษฐานไว้ว่าอยากจะได้พบ ครูบาอาจารย์เมื่อก่อนไม่ได้อธิษฐานแบบนี้ขอให้ได้ปฏิบัติให้ตรงรัดสั้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปปฏิบัติเนี่ยก็หลายแห่งอยู่ตอนแรกก็ปฏิบัติที่หลวงพ่อทูนเสร็จแล้ว ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ก้าวหน้าก็ดิ้นลนที่จะสแสวงหาสิ่งปฏิบัติที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้นก็ไปพบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง เราก็ไปปิิงตรงที่ว่าความคิดเรามีความคิดมากเพราะว่าเราออกเผยแผ่แบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนพูดคุยธรรมะอย่างนี้ค่ะนี้ไปปิิงอาจารย์ที่ ที่ตรงที่ว่าท่านบอกว่านั่งอ่ะรู้สึกไหมอะวันนั่งพอเรามารู้สึกว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยที่จะแบบว่าความคิดหายไปได้เลยความคิดที่มันเกิดขึ้นบางทีความคิดที่มันเกิดขึ้น ขณะที่เราพบครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะกลัวใช่ไหมคะเราจะกลัวว่าเราคิดไม่ดีแล้วท่านจะรู้จิตเราเราก็จะคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็กลัวแต่มันก็ห้ามไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็ห้ามตรงมันนั้นไม่ได้มันก็ทำให้ทุกข์กมากแต่นี้พอท่านบอกว่านั่งรู้สึกไมล่าว่านั่งให้ดู เราก็ดูที่เรานั่งอยู่จิตเราก็อยู่กับที่ไอ้ที่เรากลัวออมันไม่คิดละมันก็มาปิ้งตรงนี้เจ้าค่ะก็เลยสนใจที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็ได้ฟังธรรมท่านเดือนละครั้งตอนนี้ เราก็ไปปรีกวิเวกสองปีโดยที่ไม่ได้พบกับใครเลยคืออาจจะแบบพบแต่ว่าไปตลาดอย่างนี้แต่ว่ากลับมาก็คืออยู่ในบ้านคนเดียววันวันหนึน่งแทบจะไม่ได้พูดกับใครเลยก็ฝึกที่จะปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วกำลังเราอ่ะอินทรีย์เราอ่อนเราก็รู้สึกว่าเราแย่ แย่ yeah. แทนที่มันจะเจริญขึ้นมันก็ไม่เจริญขึ้นเราก็มีเหตุที่ทำให้เราเจ็บป่วยพอมีเหตุที่ทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็กลับไปบ้านคุณแม่เพื่อที่จะให้น้องพาไปหาหมอเพราะตอนนั้นเราไม่ไหวแล้วตอนแรกที่ปีกวิเวกอยู่ป่วยยังไงก็ไม่ไม่ไปหาหมอ ท้องเสียสิบวันจนกระทั่งมันจะชอกแล้วเราก็เลยนั่งแท็กซี่ไปให้น้ำเกิดที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แต่ตอนหลังนี้มันก็ไม่ไหวแล้วแต่นี้ก็เลยแบบว่าตั้งใจปฏิบัติถึงอยู่บ้านคุณแม่ก็ตั้งใจปฏิบัติสติปัะฐานเนี่ยล่ละค่ะมันก็ ร่างกายมันก็ฟื้นฟูขึ้นดูแลเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้ความเจ็บป่วยก็ดีขึ้นแต่ก็ไปหาหมอนะคะแล้วก็แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้เจริญอะไรนักหนา พอป่วยแล้วว่าสิ่งที่เรารู้สึกตัวดีๆเนี่ยมันก็แทบจะสุดลงอ่ะเรียกว่าสุดลงก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราได้ในแนวทางที่พระพุทธองค์ที่ถูกต้องที่ตรงวันหนึ่งเหต ก็เกิดขึ้นว่าได้มาโดยบังเอิญเพราะว่าแม่ชีท่านหนึ่งแม่ชีท่านหนึ่งโทรโทรศัพท์บอกว่าขึ้นไปจำพรรษาที่วัด พระาตของหลวงพ่อไหมล้วก็บอกว่าสายไหนเหรอบอกว่าสายหลวงพ่อเทียนโอ้ใจเราก็อยากที่จะปฏิบัติอย่างหลวงพ่อเทียนอยู่แล้วโอมีอกเป็นโอกาสแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้มาโดวยวิธีใดตอนนี้ เราก็เลยแบบติดต่อแม่ชีไม่ได้ละโทรศัพท์ของแม่ชีท่านมีปัญหาแล้วก็โทรหาน้องลักพอดีบังเอิญน้องลักกํกำลังเดินทางไปหาหลวงพ่อพอดีจะไปกราบพระใหม่กับคุณน้อง <c oughs> ก็เลยเล่าให้ฟัง <c oughs> เจ้าค่ะงั้นค่ะเจ้าค่ะเอ่อการปฏิบัติตั้งแต่วันแรกมาก็รู้สึกพอฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกอะโดนใจอะเจ้าค่ะโดนใจแล้วก็อยากที่จะเข้าคอร์สต่อ ก็เลยแบบสมัครคอร์สต่อแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นกว่าเดิมที่ที่มันแย่ลงแล้วก็เห็นเห็น เรียกว่าความเกิดดับไหมเจ้าค้าที่ว่าเราเห็นเราเห็นเวทนาแล้วมันก็หายไปอันนี้เราก็เห็นแบบนี้แต่มันก็เคยเห็นมาแล้วอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้เรียกว่าเกิดดับไหมเจ้าคาความจริง ม่ชีนั่งมานา่พี่ต้องลุกขึ้นนั่งท่าใหม่ดิ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่าแล้วกับตอนที่ไม่ได้เปลี่ยนคดวิศึกต่างกันไหมต่างกันเจ้าค่ะต่างกันอย่างไรมันเบาขึ้นเจ้าค่ะเบาขึ้นความหนักหายไปไหนความหนักความหนักที่ก่อนที่จะเปลี่ยนมันหายไปไหนมัน เปลี่ยนท่าแล้วมันหายหรือว่ามันดับใช่ไหมเจ้าค่ะมันดับไปแล้วขณะเปลี่ยนไปแล้วความเบาเกิดขึ้นเราเรียกว่าเกิดได้ไหมเรียกว่าเกิดความดับมันเกิดขึ้นความหนักมันหายไปเจ้าค่ะการเกิดดับแบบนี้เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้เจ้าเข้าใจได้เราต้องดูในส่วนที่เราเข้าใจได้สิ่งไหนที่เข้าใจไม่ได้อย่าไปพยายามดู เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่โดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นมาได้บอกเสมอว่าการเกิดดับมีสีระดับมีสีระดับระดับกายเกิดหนักเรื่องเบาเรื่องที่เราเคลื่อนเราหยุดใช่ไหมเจ้าค่ะการเคลื่อนหยุดการพูด ไม่ใช่มันขึ้นตลอดเวล า, าการพูดมีจังหวะหยุดเอาไว้ยาะที่ปา ก, กส่วนหยุดลิ้นหยุดเจ้าค่ะที่ปากหยุดพอเราพูดปั๊บมีปากเคลื่อนหยุดพูดปับ๊บพี่ปากลิ้นหยุดทันไหมดูดีดละเหียดขึ้นไม่ทันใช่ไหมค่ะพับตาหยุดเคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, นแล้วก็หยุด ก็เคลื่อนใหม่อันนี้ทันไหมให้ดูเกิดดับง่ายๆอย่างนี้ให้เป็นก่อนเจ้าค่ะถ้าเราดูเกิดดับง่ายๆแบบนี้เป็นเราจะไปดูเกิดดับของจิตมันไม่ได้เพราะว่าสติกําลังสติปัญญาเรายังไม่พอเจ้าค่ะให้ฝึกดูอ้าวไปดูเกิดดับขั้นที่สองนั่งลงไปแล้วอาการหนักมันเกิดเอาพอเปลี่ยนปับ๊บรู้สึก ดับไปรู้สึกเบาเกิดขึ้นทันใช่ไหม <c oughs> ทันเขาไปดูระดับนั้น <c oughs> ระดับใจที่เราสังเกตทันให้ไปดูระดับนั้นเอาจิตไปื่อกี้เราไม่คิดอ้าวตรงนี้มันคิดมาดูอีกทีนึงความคิดที่เราคิดไมื่อีมันยังอยู่ไหมเอามันดับไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้อะไรเกิดอยู่ความไม่คิดความไม่คิดเกิดความคิดดับไปละทันไหมทัน <c oughs> อันไหนที่เราดูทันให้เราดูอันนั้น อันไหนที่มาดูทันแล้วไปแต่าหาเรื่องทัางสี่อย่างดูให้ได้ตอนนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีเจ้าค่ะอารมณ์ไม่ดีมันอยู่ไหนหายไปแล้วใช่ไหมหายไปเดี๋ยวพอมาด่าสักคํานึงโอ้ไม่ชีอ่ อ, อนแอไปอยู่วัดดอยไม่ได้หรอกดอย ม, มาไม่รับขุนขึ้นมาทันทีใจไม่ดีแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพอถูกกระทบก็จะไม่ดีแล้วเจ้าค่ะนี่เราเราทัน อ, อ๋อนี่การเกิดดับของอารมณ์เป็นอย่างนี้เองซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนหรอกแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจ เราก็จะไปดูไอการเกิดดับที่เราไม่เข้าใจโอ้เกิดดับด้เป็นหมืน่นเป็นแสนขนาดต่อเราจะไปดูมันได้มันก็ไอสิ่งที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ไปพยายามที่จะดูแต่สิ่งที่เราสามารถจะดูได้กลับไม่ดูแล้วนี่คือความยากของของการปฏิบัติเจ้าค่ะเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะโอเคต่อไปยมเปี่ยม ข อ, ขอถามนิดนึงเจ้าค่ะอเคมืม่อวานนี้ที่ปฏิบัติแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วแ mm hmm. ม่ชีย้อน <Hey, S 1> ให้เสียงดังคนจะไปอยู่ทางนี้พอเสียงอยู่ตรงนี้เสียงสําคัญเออขยับไปอย่างนู้นก็ได้ที่ที่ที่นั่งเราที่นั่งอยู่ข้างล่าง mm hmm. ที่ปฏิบัติอยู่อ <Okay. S 1> จเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เห็นสภาวะแล้วก็คิดว่าเออทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ที่เราเรา เป็นไตลักษ์ที่เป็นอ่ไตาสิกขาด้วยอะค่ะเจ้าค่ะที่เห็นเป็นไตสิกขากอะไรเป็นความคิดไม่ใช่ความจริงก็ก็คือเห็นเห็นด้วยด้วยคือกายเจ้าค่ะที่มันมันเกิดขึ้นน่ะคะ่ะ <มา S 1> แลดับไปไวิธีเคลื่อ น, นมือเข้าเนี่ยเห็นมื อ, อเคลื่อนไหมเห็นเจ้าค่ะเคลื่นอ น, นไปไหนบ้างก็เคลื่อนไปตามจังหวะแล้วตอนนี้ เมื่อกี้มีมิติเคลื่อนตรงนี้แล้วเคลื่อนมาตรงนี้นี่คือปัจจุบันไอ้เคลื่อนไปจังหวะเมื่อกี้มันผ่านไปดังนานแล้วมันไม่เป็นปัจจุบันแต่วิธีขณะนี้มืออยู่ที่ไหนจากที่ไม่ใช่ไหมหนักไหมหนักหรือเาเห็นอย่างนี้เห็นขณะที่เป็นปัจจุบันขณะดไม่ใช่ไปสร้างจังหวะมันสร้างโยมันจบไปแล้วตอนนี้ไม่ได้สร้างจะมือมือถือไม้อยู่อันนี้คือการเห็นการเกิดเราคือเห็นปัจจุบันที่เกิดแต่ละขณะ เพราทธิหลวงพ่อทูลที่ทําให้ไม่ชีไม่ก้าวหน้าก็เพราะทำให้คนไปเห็นในสิ่งที่มันเกิดมันดับที่เป็นอดีตอนาคตเห็นปัญญาที่มันเกิดดับไปในอนาคตแต่ปัจจุบันไม่เห็นไม่ชีก็อยู่เชนนั้นตั้งเท่าไหร่สองปีเนาะที่สามปีนานไม่อยู่กับไม่นานอยู่กับไม่นานหปี <5 S 2> ใช่หมห้าปีอ่ะเห็นไหมเกินกว่าเกินกว่าเพราะฉะนั้น เราไปเน้นหลวงพ่อทูลท่านประเพนปัญญาด้วยการไปดูตจลักทุกเรื่องแต่เป็นแต่ลักในความคิดมันไม่ใช่แต่ลักในความจริงแต่โลกนในความจริงเราไม่เห็นนะคือคปัจจุบันขณะนี่แต่ลักความจริงมือกำลังหนักหายใจเข้าออกใช่ไหมตากระดังพับปากกําลังพูดนี่คือเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นโลกุตระปัญญาแต่ไปเห็นความจริงอดีตนะคนลานํามาคิดเป็นโลกียะปัญญาเป็นส ม, มุทัยให้เกิดทุกข์ ใช่ไหมท่านนิวก็อยู่ที่นั่นทั้งหลายปีหกเจ็ดปีแต่บอกโอ้สติไม่เข้มแข็งก็ไม่อยู่กับปัจจุบันสติมันจะเข้มแข็งก็ได้เลยก็ได้แต่ความคิดได้แต่ความฉลาดในอดีตอนาคตแต่ฉลาดปัจจุบันไม่เกิดเห็นแล้วยังอานมุธนาเอาต่อไปอย่าเปี่ยมกราบนมัสการหลวงพ่อภิกษุสงฆ์ แม่ชีทั้งสองรูปและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะที่ฉันชื่อเปี่ยมสุกนะคะก็ติดตามหลวงพ่อมาก็เกือบสามปีละปีนี้เริ่มปีที่สามค่ะนี่จะขอภาดเพีงคุณประจวบนิดนึงเพราะแกพาดเพียงมาเมื่อกี้นี้ว่ า, วาเราก็จะโต้เถียงกันอย่างเงี้ยค่ะ แกเอาจริงนะคะว่าอยากจะให้เราฝึกได้เราอยากจะให้แกฝึกได้ะคะ่ะทีนี้บางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเช้าก็จะต้องไปออกกําลังแล้วไปฝึกเดินเนี่ยเสร็จแล้วกลับมาบ้านแกก็จะสอนพอสอนล้วก็บอกว่าพี่ไม่เข้าใจอะ่ะไม่รู้เป็นยังไงไม่เข้าใจมีวันหนึ่งอะหลวงพ่อเริ่มสอนแต่ประมาณสองทุ่มอะ่ะแกบอก วันนี้นะยังไงยังไงต้องเอาให้เข้าใจให้ได้ <S <S 1> <S 1> พอเสร็จแล้วโอ้ยมาอย่างไงเนี่ยแล้วบางทีแกพูดปริยับมาป้อมบางทีแกพูดแกพูดนะว่าจําได้หมว่าพูดบอกว่าไตรักเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แลอธิบายแล้วกว็วมันเป็นไตสิกขาแล้วมันเป็นามมารามาแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เข้าใจอะ่ะคิบอกมันง่ายนิดเดียวยิ่งแกพูดง่ายนิดเดียวเราก็เหมือนเราโง่หรอเป่าเสร็จแล้วก็เลยเราบอกว่า เที่ยงคืนแล้วนะขึ้นบ้านแล้วพูดให้ใครฟังก็พูดเตอะปกตินอนสามทุ่มอะ่ะแกบอกวันนี้ก็จะไม่ได้เลยนะก็ alk, ตารางก็ตกลงกันว่าเอาเป็นว่าถ้าเราติดขัดอะไรเราจะถามดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ ย, เ, ยเขาสอนดีค่ะถ้าเราสงสัยเนี่ยนะเขาก็จะสอนดีสอนดีพอกลับจากหลวงพ่อที่ไปวัดถ้ำบัวแดงอะ่ะจําได้ว่าตัวเองก็ดูแล้วโอ้โหหนุนคุณจิขึ้นไปนู้นน่ะไม่ไหวแน่เนี่ย ไม่ไหวแน่และอาจารย์แม้นแกก็เคยเล่าไปที่บ้านเนี่ยผมนะสองชั้นนะี่ะแกแกขึ้นลงหันเดียววันหนึง่งเพราะว่าลิ้นหัวใจแกรั่วาสามลิ้นเราก็ที่ไปนะโอ้ชักเหนื่อยหละเอ๊ะทำไมอาจารย์แมนไม่พูดสักทีนะว่าเหนื่อยอาจารย์บอกหลวงพ่อครับมันเหลืออีกกี่ขั้นเนี่ยครับผมจะไม่ไหวเราก็แอบฟังนะหลวงพ่อเขาบอก ไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันจะอยู่อีกคื อ, ค, อคือประมาณนี้นะคะว่าอีกเท่าไหร่ให้อยู่กับปัจจุบันเราก็อยู่อย่างไรเนี่ยหลวงพ่อบอกเอาอย่างนี้นะสูตรลมหายใจเนี่ยเข้าไปให้ลึกเนี่ยลิ้นหัวใจมันจะเปิดและพอก้าวอีกก้าวหนึ่งก็เอาออกให้หมดลิ้นหัวใจมันจะปิดแอบฟังนะคะหลวงพ่อสอนอนาะจารย์แหม่เพราะตัวเองี็เดินไปตามๆไปด้วยทำตามนะปฏิหารจริงๆอะ่ะ ทั้งอาจารย์แมนแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะคะขึ้นไปถึงพันสี่สิบเอ็ดเก้าโดยที่ว่าให้ขึ้นต่ออีกก็ได้นะคะโอ้โหมันมันติดตรงนั้นมาเลยนะเรื่องสูตรลมหายใจเนะี่ยแล้วพอตอนขาลงอีกฝนมาลมมาโอ้โหอาวละเราตามหลวงพ่อไปขึ้นมาเลยยังขึ้นได้นะก็ลงโดยสวัสดิภาพอาจารย์แมนนะเดี๋ยวนี้กกยังพูดไม่จบเลยแกไปประชุมที่ไหนแกก็ยกตัวอย่างเรื่องเนี้ย ่หลวงพ่อพาขึ้นเอาล ะ, ะคับม า, มาเข้าเรื่องที่มาที่นี่แล้วกันโดนค่ะแ ต, แ ต, แต่แต่ก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรนะจะเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเชื่อศรัทธาในตัวหลวงพ่อปกติกลัวผีมากนิดนึงนะคะหลวงพ่อพราไปตังเนี่ย ไม่เคยคิดเลยว่าผีมันจะมาหลอกมาอะไรลราเพราะว่าเราคิดว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีบารมีต้องป้องกันอะไรทุกอย่างได้อย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าไม่กลัวจากใจนะคะแวันนี้ก็เหมือนการฉันตึกสองเนี่ยเหลือคนเดียวค่ะที่นี้โ อ, อสบายเลยจะมานั่งข้างนอกเดินตรงไหนอะไรนะที่นี่เป็นของเราหมดแหละค่ะก็เริ่มเรื่องเลยว่าวันแรกที่เข้ามาวันแรกเลยนะคะเดินก็ ตามรู้ได้ดีแต่บางทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นลาวอยู่บ้างอะ่ะเป็นสองเรื่องสาเรื่องอะไรเนะี้ยก็ตามรู้กลับมาเพราะว่าก็โอเคนะคะพอวันรุ่งขึ้นหลวงพอว่อบอกใครจะเก็บอารมณ์บ้างเอาละเราเก็บไปแล้วกันเพราะว่าเราก็เคยเก็บมาค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะพอเก็บพอเข้าไปในห้องอ ม, มันบอกไม่ถูกเลยมันคิดเยอะมาก เจ็บปวดคะกายเวทนาทางกายลังเลสงสัยว่าบ่ายเนี่ยมาฟังหลวงพ่อดีกว่ามันเนี่ยได้ประโยชน์กว่าเยอะเลยอยู่ข้างในรู้สึกทําไมมันมันเป็นอย่างนี้พอพอออกมาเจอคุณประจวบนิดบอกบ่ายเนี้ยนะจะมาฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาพูดทํานองว่าเขาพูดทํานองนะคะว่ามันมันน่าจะกลับไปสู้อ่ะว่าปัญหามันอะไรอยู่ตรงไหน เราก็กลับ เ, เราเราต้องตั้งใจนะตั้งมั่นว่าเราจะเก็บไม่ครบนี่แหละทุกวันพราะกลับไปเราก็เดินพยายามเดินเพราะหลวงพ่อพอคิดเราก็ได้ยินเป็นเสียงของหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่าเรารู้น้อยนะแต่เรารู้ให้บ่อยเออไม่เป็นไรเราคิดไปเราก็กลับมารู้ใหม่รู้ให้บ่อยก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องเรื่องบ้างอะ่ะ นี่พอช่วงเดินเนี่ยก็เดินไปเดินมาพอเดินถอยหลังเนี่ยเดินถอยหลังเนี่ยมันไปจำแวะที่ขึ้นขึ้นถ้าหัวแดงอะค่ะเราก็เดินสุดไปสุดโอ้ดีมากเลยแล้วก็รู้เดินไปสักพักเรารู้ว่ามันดีนะแต่ใจใจเรามันจะนำก่อน นำว่าจะก้าวไปเลยนะแล้วหายใจเข้าไปเนี่ยเรารู้พระตอนหลังเราปรับเป็นว่าให้เดินที่มันใกล้เคียงเลยกับลมหายใจที่มันเริ่มก้าวเนี่ยแล้วก็พอไปหยุดลงนี่ก็ให้รู้สูดลมหายใจโอ้ใช่ค่ะพอยกขึ้นก็นเริ่มเริ่มยกแล้วก็เริ่มหายใจเข้าแล้วก็พอไปหยุดปุ๊บก็รู้แล้วก็หายใจออกเนี้ยให้มันพร้อมกันนะหลวงพ่อโหมันแบบ คิดน้อยมากเลยบางช่วงเดินไปแทบไม่คิดเลยอะค่ะเราก็เออเพราะอันนี้คุณไปโจกกระพูดอยู่เรื่อยเพราะว่ากลับจากนน่นนะคะเขาบอกว่าอารมณ์ประคองนะประคองยังไงมก็มาบอกแกบอกพี่ไม่ต้องมาสอดเรื่องอรมประคองนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยอะแบบมันอึดอัดเดินแบบเดิมเขาก็อกเอ า, เอ า, เ, อาเอาตามสบายไปนะพอมานี่เรารู้เลยว่าตรงนี้นี่เราก็ใช้วิธีนี้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ทั้งสร้างจังหวะ มันก็ดีนะก็ทำไปดีมากเลยพอตอนช่วงวันนั้นนะคะบ่ายๆรู้สึกมันปวดตาแล้วก็ปวดหัวเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเพ่งเกินไปเรารู้ว่าเพ่งแต่นี้เราก็เราก็ใช้วิธีตรงนี้อยู่ตลอดว่าทำเอาจริงนะแต่ทำเออบอกว่าทำเล่น แต่ว่าแต่งเราเอาจริงนะคือหมายถึงเรายกขึ้นมาเราก็สบายๆทำเหมือนเล่นๆแต่เราก็ต้องรู้ตามให้มันแบบจริงๆอะ่ะก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นทำรู้ๆเล่นๆแล้วตอนหลังเราก็มาเปลี่ยนเป็นสร้างจังหวะธรรมดาบ้างสลับกันไปโอ้ความความรู้สึกตัวมันดีมากนะเราสลับเราจะรู้วิธีคล้เหมือนกับว่าเรามีที่เกาะของจิตเนี่ยได้เพิ่มขึ้น ในช่วงที่เราดูเหมือนว่าเราจะปรจะจุไปเยอะเราก็หรือเกลียดเราก็สร้างจังหวะธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ไีก อ, อย่างหน่ะคะที่ดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าหนักว่าเบานะเราใช้ลมหายใจประคองด้วยนะมันคือคำรับตัวเองนะมันดีเลยละ่ะมันมันไม่ค่อยหลุดนะ่ะแล้วตอนหลังก็ โอเคสำหรับวันนั้นจบไปพอวันลุ่งขึ้นธรรมะนี่มันมันเปลี่ยนจริงๆนะคะมันเหมือนมันเอวันนี้มันยังไงเดี๋ยวเปิดตู้อีกละก็มาทําวันนี้แนละ้วก็ทําได้ผลแต่บางครั้งมันกินน้ําหน่อยนะรู้สึกมันเนี่หรือมันง่วงอ่ะง่วงเดินไปทำมะวันนั้นหลวงพ่อไปสอบอารมณ์คิดว่าหลวงพ่อรู้นะคะไปสอบอารมณ์หลวงพ่อไม่ถามเลยนะ ทุกทีจะโยมเปี่ยกมัน เ, เป็นยังไงเลยวันนี้หลวงพ่อไม่ถามเลยหลวงพ่อบอกการทําเนี่ยอย่าลืมนะสิบสองท่าไม่งั้นมันจะสะเปะสะปะสะดุง้งโยงเลยนี่วันนี้สเปะสะปะเลยแล้หลวงพ่อไปพอดีเลยหลังจากนั้นนะคะก็มันมันพักสักพักแล้ว พ, พักพอดีเรียนหลวงพ่อตามตรงเลยนะคะว่าสิบสองท่าเนี่ยไม่ได้สิบสองท่าทําแต่ท่าที่ถนัด แล้ววันที่หลวงพ่อให้ทํานะก็ทําไม่ได้มาแอบถามคุณประจวบคุณประจวบต้องมานั่งทําให้ดูที่ปรึกษาใหญ่ก็ทำบอกเขา้าใจแล้วเขา้าใจแล้วเดิมมันรู้อยู่แล้วมาแล้วมาแล้วก็ไปทำสิบสองท่าเพ่อหลวงพ่อบอกว่าท่าไหนทําไม่ได้อย่าง่ะสมาดเพจเนี่ยทาไม่ได้จริงๆอ่ะก็ให้พยายามทํามาก็พยายามได้หน่อยเดียวจริงๆและกับท่าที่นั่งที่นั่งทับส้นนะคะหลวงพ่อก็ทําได้ไม่มาก ได้ประมาณสามชุดแล้วพอต่อใหม่ก็เป็นสี่ชุดก็ทำไปแ ล, แล้วก็ก็กำหนดตามตามที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะเวทนาทางกายที่มันมันมันเคยเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวปวดมากหลงพ่อให้รู้ตามทีมันก็ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยทำได้ครบเลยหลวงพ่อมีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเช้าสองสองเซตทั้งเดินด้วยบ่ายสามเซต โอ้แล้วยังอื่นมันไปจากไหนโอ้วันนั้นแบบทําจนว่าไอ้หนักเบาไอ้นี่มันไม่มีเลยนะหลวงพ่อมันเหมือนเป็นเบาไปหมดเลยอะเราก็ตามแค่เคลื่อนแค่หยุดแค่ระยะห่างนี่แค่อะไรเราก็ฉับใส่เเ่เหมือนนะ้ะหนักเบามันไม่มีเลยแล้วพอเรากําหนดเอาลมหายใจเข้าประคองเนี่ยแรกๆหายใจเข้ามันก็จะแรงหนักหายใจออกมันก็จะเบาลง ช่วงพอเราทำไปนานๆเข้าวันท้ายๆนะลมหายใจมันก็เป็นอันเดียวกันเลยค่ะแล้วสรุปว่าตั้งแต่ที่ไปปฏิบัติมาทั้งหมดนี่ประมาณสิบสามครั้งแล้วค่ะมีครั้งเนี้ยที่แบบการอยู่กับตัวนี่มันมันโอเคขึ้นมากทั้งความคิดทั้งเวทนาอย่างอื่นเท่านี้ค่ะคพ่อ อ, อทฤษฎีเนี่ยมาไม่น่าไม่คิดว่ามันจะเวิร์กขนาดนี้นะทฤษฎีลงมาใจกับการเคลื่อนไหวประกอบกันนี่นะเพอเราได้จุดเริ่มต้นที่ทำใช่ไหมแต่วันนั้นเหมือนว่ามันเป็นอความอัศจรรย์อนะไย่างเงี้ตอนที่ลงมาหูโอ้นฝนทั้งฟ้าร้องอะไรมันเทมาเออแล้วก็มันสร้างความประทับใจให้ลุงแมน้นเรื่องแกถูกโกงไปห้าล้านนี่ก็ลืมไปเลยนะหายไปเลยก่อนหน้านะในแกซิมเศร้าจะตายให้ได้ เ, เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือความมหาเจรย์ของธรรมที่เราเข้าใจนะดังนั้นถ้าใครก็ตามถ้าทาไปสร้างจังหวะมันเบาไปก็เอาลมหายใจมาช่วยมันก็จะเป็นการผูกเข้าไปอีกปลอหนึ่งแต่บางคนเฉพาะลมหายเฉพาะการเคลื่อไนไหวมันชัดดีอยู่แล้วก็อย่าไปเข้าไปเข้าไปมันอาจจะกลิ้งจะเครียดมันจะตึงไม่ใช่ว่าจะใช้ใช้ได้ทุกคนนะเป็นบางคน ก็ลองทดลองใช้อันไหนที่มันทําให้มันกระชับขึ้นหรือบางใช้สักพักหนึ่งพอมันเข้าที่เข้าทางก็ปล่อยไปแล้ว ก, กลับมาทําปกติใช้ก็ให้รู้จักใช้ถ้ารู้ไม่จกใช้ก็เป็นเรื่องอีกหละนะให้ใช้แต่เหมาะสมที่แก้ปัญหานในช่วงนั้นนะัเหมือนเราใช้เครื่องมือแต่ละชิ้นอันไหนมันจะเป็นตัวไหนก็ใช้เครื่องมืออันนั้นจะใช้เครื่องมืออันนั้นทําไปทุกเรื่องไปก็เสียเลยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันตัวกรรมาฐานอุบายกรรมาฐานทั้งหมดเป็นเพียงเครื่องมือ มันมันไม่ใช่ตัวสภาวะแต่ตัวสภาวะมันเกิดจากเครื่องมือนั่นแหละมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ในที่ประเด็นเมื่อกี้ไม่ชัดเจนถือ ว, ว่าความกลัวมันหายไปพากันไปเที่ยวตังไนงะอ๋อนั่นแอ บ, บไปไม่บอกของพ่ออันนอ๋อไปนานอ๋นอตงโน้นเลยวอ <c oughs> โอ้นานมากจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ที่เขาสกใช่ไหมออสวนพืชสัตว์อ๋อพเราไปที่เขาเขาสกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พืชสัตว์พืชสัตว์อีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวอ๋อไม่ต้องกลัวอ๋อเราคิดว่าเวลาหลวงพ่อมานี่เนี่ยหลวงพ่อต้องบอก อันนี้เขาเลยจิตเป็นกุศลนั่นนะเออมันป er, ้องกันได้ใช่คือความจริงมันไม่ได้ความพิเศษหรอแต่จิตเป็นกุศลนั้นมันป้องกันได้ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็คิดในฝ่ายกุศลไว้ก่อนถ้าคิดในฝ่ายกุศลมันก็จะเป็นผีแล้วแหะผีก็ไม่ใช่แหละคือจิตเป็นอกุศลนั่นแหละคือผีนะเพราะจิตเป็นกุศลนั่นก็คือผู้ทีเจ้าแหะให้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าท่านบอกให้กุศลสู้บาศมาทา ให้สมทานจิตที่เป็นกุศลเรื่อยๆนะอะที่นี้โยมเปิดบ้างลืมว่าในช่วงที่เราปฏิบัติในช่วงนี้คือช่วงศิลปะในการฟังนะ The Art of Listening เราปฏิบัติในโหมดนี้นะหมดศิลปะในการฟังถ้าเราฟังด้วยดีก็จะเกิดปัญญาถ้าฟังไม่ดีก็จะเกิดตัณหาเหมือันเ กาบนมรสการหลวงพอ่อแล้วก็พระพิสุสงฆ์แล้วก็เพื่อนกัญญาณมิตรแล้วก็พี่ๆทุกท่านค่ะปฏิบัติมาปฏิบัติคอสนี้ที่นี่เจ็ดวันช่วงแรกก็อยู่ด้านนอกก็ปฏิบัติได้อยู่แต่ว่าก็คือมีสิ่งแวดล้อมช่วยพอหลวงพ่อให้เก็บอารมณ์ก็ดีใจเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่แบบ คนเดียวเงียบๆเรารู้สึกว่าจะสมาธิดีกว่ามันนิ่งเงียบสงบแต่ทีนี้ความที่พอเราเข้าไปเก็บอารมณ์คนเดียวแล้วเนี่ย อ, อกิเลสมันก็ชักจูงพอเราทําครบตามที่หลวงพ่อกําหนดให้ก็คือ12ท่าพอครบไปสักสองชุดแล้วเราก็กิเลสมันก็บอกว่าพักบ้างอย่าไปอยากได้อะไรมากมายแล้วก็ทําท่านอนบ้าง อพอทําท่านนอนก็เราจะทําซักร้อยลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะร้อยลมหายใจปุ๊บทีนี้มันก็เอ้ยมันยังพักมันยังไม่คลายเมื่อยเลยอีกหน่อยมันก็จะอีกหน่อยไปเรื่อยมันก็เลยเป็นท่านอนซึ่งตอนแรกเข้าไปเนี่ยก็ตั้งใจมากเก็บข้าวของหมดเลยตามที่พี่จิเขาแนะนําว่าเดี๋ยวบางทีหลวงพ่อมาสอบอารมณ์เราต้องเก็บของให้เรียบร้อยที่นงที่นอนเก็บข้าตู้หมดเลยค่ะอ้าห้ามมีแขวนไว้แต่มันแต่นุก็เอาเบา อ, ออกมาไว้สําหรับนั่ง พอนั่งนั่งไปมันก็เปลี่ยนเป็นนอนแต่เบาะไม่ได้กลาง น, นจะจ๊ะคะเบาะทำเป็นลักษณะนั่งก็ก็แพ้ทางมันแต่ก็ไม่ใช่แพ้ทางแบบที่เราเราจะต่อสู้คือแพ้ทางแบบยินยอมพร้อมใจกันที่จะพักะ <c oughs> นะนะแม้ต่อมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่พอไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหลวงพอ่อพอมาทำเนี่ยมันเวิร์กเลย ทำพอทำไปเนี่ยมีความรู้สึกว่า14จังหวะที่เราทำเนี่ยมันต่างจาก14จังหวะที่เราเคยทำครั้งเก่าๆคือมันมีพลังมันตอนที่เรายกมือ14จังหวะเนี่ยยกไปเนี่ยอารมณ์ใจมันจะดีมากเลยคือจิตมันจะนิ่งๆสบายๆแล้วก็ตอนช่วงที่ยกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเล่นพลังลมปาณน่พระอาจารย์คือจิตมันไปอยู่ที่ ท, ท, ที่ที่ตรงความรู้สึกตัวชัดมาก จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงมือเราที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาพร้อมกับคือเหมือนเหมือนจิตมันเป็นพลังที่เคลื่อนไปกับพร้อมกายเห็นอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความพอมันมีมีเหมือนมีพลังที่มันหล่ออยู่กับตรงที่แขนเราอะเรารู้สึกว่ามันมันตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันมันดีแต่พอสักพักหนึ่งไอ้ตรงนี้มันคายไปมันเป็นความรู้สึกที่เบาที่มือเบาแต่ว่าก็เป็นพลังแต่เป็นพลังที่เบา เบาๆเราก็เลยอ้อไอต้ตะกี้มันหนักมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันยั่งยืนคือท้ายสุดมันก็เปลี่ยนเป็นเบาที่มันก็เบาไปอีกสักพักหนึ่งสักประมาณห้านาทีอะค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่คืนสู่ปกติเราก็เลยเห็นเห็นทั้งตอนที่มันหนักตอนที่มันเบาแล้วก็ตอนที่มันปกติก็เลยเหมือนมันเห็นคุณค่าของความปกติมากกว่าไอ้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป ซึแต่ต อ, ตอนที่มันเกิดใหม่ๆนี้เราก็รู้สึกเอ้ยมันเหมือนมีมีมันก็เหมือนดีใจเล็กๆอะค่ะว่าเอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นละแต่พอท้ายสุดไอสิ่งพวกนั้นนก็หายไปหมดก็ปกติดีกว่าก็ ก, ก็ก็อยู่กับปกติก็ทำสร้างจังหวะตรงนี้ได้ไปแต่ทีนี้จะมีปัญหาวันอื่นอีกก็คือมัน บ, บางทีมันจะไม่ค่อยตื่น ผมก็คือตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่จะเป็นคนที่เคยชินเป็นนิสัยจะเป็นสันดานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือจะตามใจตัวเองแล้วก็จะตื่นตามที่ตัวเองต้องการไ ม, ไม่สนใจฟ้าดินไหนเลยและทีนี้มันก็เลยเหมือนเป็นติดนิสัยมาทีนี้พอพลังความรู้สึกตัวตรงเนี้มามันก็ทำให้เราระลึกระลึกขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนนึกขึ้นได้ว่าขึ้ไม่ได้นะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่ คือตั้งใจไว้แต่ว่ามันก็ไม่เคยสําเร็จเพราะว่าเหมือนแพ้ยังยังยังยังสติมันยังไม่พอเหมือนเราเพิ่งงวงเหย่อตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ต่อมันก็เลยจะมีปัญหาก็หลวงพ่อก็เลยให้ให้มาปฏิบัติที่ห้องข้างบนพอมาข้างบนเนี่ยมันก็เลยถามว่ามันมีง่วงไหมก็มีง่วงแต่เราก็ใช้วิธีเริ่มสังเกตแล้วค่ะว่าไอตอนง่วงเนี่ย ตอนที่เราเปลี่ยนท่าแต่ก่อนเราจะจะคำนึงถึงแต่ว่าถ้าเผื่อมันปวดหรือมันมันมันร่างกายทนได้ไหวแล้วเราจะเปลี่ยนตอนนี้พอดูไปเฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะร่างกายทนไม่ไหวถ้าความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตคือมันเริ่มง่วงก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเราไม่ทันสังเกตกายไม่ทันจนกระทั่งมันทะลุเข้าไปถึงจิตแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นอาการที่เราจะต้องเปลี่ยนโดยเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ากายมันจะเมื่อยหรือไม่เมื่อย ก็เลยได้มาเปลี่ยนตรงนี้แต่ก่อนนี้ก็จะไม่ยอมว่าเรานั่งไปถ้าขับสมาธิเนี่ยเราได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเอาครึ่งชั่วโมงแต่ง่วงมาเราก็ไม่สนเราก็ว่าเรายังไม่เมื่อยเราไม่เปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็เลยพอมาเห็นตรงนี้เราก็เปลี่ยนละคือเราก็เปลี่ยนอย่างตามที่พระอาจารย์บอกตอนแรกเราก็ดื้อไม่เชื่อว่าห้านาทีแต่เราทําได้มากกว่านั้นทีนี้พอเรามาสังเกตดูมันก็ประมาณห้านาทีไม่เกินสิบนาทีอะค่ะที่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถูกทุกมันเล่นงาน แต่กลายเป็นทุกข์ที่เล่นงานทางใจก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะส่มากเราจะติดตัวหนูเองจะติดความเพลินพอเพลินปุ๊บมันเปลี่ยนไปง่วงก็พอมันเริ่มมันเพลินบางทีเราไม่ทันตรงเพลินเราจะมาทันตรงเริ่มง่วงนิดๆเริ่มอาการพอเราสังเกตสังเกตไปเราจะเริ่มเห็นว่าเราเราจะไม่รอจนมันหาวแต่มันก็มีบางช่วงที่มันหาวออกไปเพราะว่าเราตามตามรู้มันไม่ดี ทีนี้พอเรามาเห็นว่ามันเริ่มนิดๆเริ่มมีอาการมาละมาละความง่วงเริ่มมาพอเราเปลี่ยนปุ๊บความสดชื่นมันจะกลับมาคืนมาทันทีเลยเหมือนเราเฟซตลอดตรงนี้ก็เลยทําให้เราเรารู้สึกว่าเออมันมั น, ม, นมันพอเราเปลี่ยนปุ๊บเราเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเราสร้างจังหวะที่แรงขึ้นแต่เราไม่ต้องใช้การสร้างจังหวะเราใช้วิธีเปลี่ยนเลยมันมันเป็นเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเหมือนยุบสภาเนะี่ยคือลุก เปลี่ยนเปลี่ยนท่าแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นมันมันมีให้ตั้งส2บสองท่าแต่ถ้ามันแรงจริงๆเราก็ต้องดูว่าบางทีก็ต้องเปลี่ยนเป็นท่ายืนท่าอะไร เ, เลยเจ้าค่ะคุณเปิลประเด็นของคุณเปินเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญสำคัญตรงไห น, นคือตอนที่เราบอกว่าสังเกตเวทนาทางกายที่เกิดจากไตรลักเนี่ยอย่าให้มันเข้าไปสู่จิตถ้าเข้าไปสู่จิตเมื่อใดไตรลัก ที่ไปสู่จิตมันก็ให้เกิดนามารูปมันก็จะเป็นตัวตั้งต้นของทุกทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมแต่เราคอยระวังแต่ความเวทนาที่มันเป็นฝ่ายหนักแต่เวทนาเบาเราไม่ระวังใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ไปเสพขเข้าไปเสพ พอเขาไปเสพแล้วมันคุณก็เสียทีมันทุกครั้งเลยเสียนี้เสียตัวทุกครั้ ง, งหลอมคุณหลับนะขอโทษนั่นเองตรงเนี้ใครหลายคน ค, คิดอย่างเข้าใจที่มาพูดไหมว่าเรามัวแต่ระวังเวทนาหนักแต่เวทนาเบาเราไม่ระวั ง, งเราขึ้นนึกเวทนาเบาเนี่ยมันคงจะถูกละกแต่ทั้งหนักทั้งเบามันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดทุกข์ขนำ ม, มารูปนะ นามรูปคือความรู้สึกชอบอะไรใช่ไหมความรู้สึกเสพเป็นนามรูปแล้วความรู้สึกไม่ชอบก็เป็นนามรูปแล้วทั้งนามรูปจะเป็นเหตุทั้งอาสวะและความทุกข์ทั้งปวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นระวังทั้งสองด้านระวังทั้งสุขทั้งทุกข์ต่างก็เป็นสร้างเป็นนามรูปได้ทั้งนั้นแต่คุณแพ้ทางตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนอกจากระวังคือไม่ให้เกินสุขก็ต้องทนคืออย่าเสพทุกข์ก็ต้องทนคืออย่าเป็นพอเป็นทุกข์เนี่ยเอาไปเป็น หนักนะแต่ถ้าเราเป็นสุกนะเราไปเสพก็เป็นทุกข์อันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนเอามานึกถึงอย่างนี้ว่าเราทานอาหารเนี่ยนะถ้าไทายทำแกงร้อนๆมาให้เราเนี่ยเราจะลกมือทานทันทีไม่ได้แต่ว่าพอทำมุลอุ่นทานได้ดีแต่ปล่อยให้แกงเย็นเซ็เนี่ย เ, <อ>เราไม่อยากทานเลยนะ<อ><อ>ทั้งที่มันก็ไม่เสียน ะ, ะเราไม่อยากทานเพราะฉะนั้นเราบอกว่า เอาอาหารไปร้อนหน่อยเนี่ยไม่ได้พูดใช่ไหมเอาอาหารไปเย็นน่ยแต่เราพูดบอกว่าไงไอนวเอาอาหารไปอุ่นหน่อยเพราะนั้นตัวอุ่นนี่เป็นปัจจุบันอ่าตัวร้อนนี่เป็นตัวอดีตตัวเย็นนี่เป็นตัวอนาคตอ่าเพราะฉะนั้นภาวะของความรู้สึกที่สดที่ว่ามันอุ่นอุ่นมันนึกถึงแกงแกงข้าวก็ข้าอุ่นใช่ไหมข้าวร้อนก็ไม่ค่อยเอาเหมือนกันข้าวเย็นเลยยิ่งไม่ชอบเลย ปัจจุบันนธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นภาวะที่อุ่นๆที่เป็นปัจจุบันดังนั้นอีกอันนึงต่อมาประเด็นที่คุณป้นจะต้องระวังคือเมื่อก่อนขอบวนการการพูดไวเนี่ยไม่มีใครเกินนิธรมนะแต่หลังจากมาได้สติแล้วมาเริ่มสโลโมชันเป็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะเราเริ่มได้สติแล้วใช่ไหมแต่คุณยังไม่ได้ตรงเนี้ยเพราะคุณไปเสพความไวยอยันนั้น ต่อไปต้องเปลี่ยนทงนี้ด้วยคือฝึกบ่อยๆเจ้าค่ะฝึกบ่อยๆแล้วมันค่อยแต่เพล่อมอะไรมันจะไวเพิ่มไปเลยฝึกเขาเป็นจังหวะจังหวะไปซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุใส่เจ้าค่ะแก่ยากมากเลยนะหรือมันเป็นอัสวะไปบางช่วนะได้ก็ไมายควาเป็นอัสวะเป็นวาสนาไปเลยเจ้าคตรงนี้เขาเรียกว่าเราก็ต้องแก้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะแก้ได้ถ้าแก้ได้มันกลายความไวนี่กลายเป็นปัญญาเจ้าค่ะ แต่ถ้าแก้ไม่ได้ความไวตรงนี้มันกลายเป็นอสวะจ้ะค่ะนะต้องพยายามจิตนี้ด้วยนะจ้ะค่ะห <Okay. S 2> ลวงพอ่อหนูสงสัยนิดนึงว่าที่หลวงพ่อบอกไอ้ร้อนอุ่นและเย็นตรงเนี้ยไ อ, อ, อย้ตรงร้อนก็คือทุกขเวทนาอ่าตรงเย็นนี่คือสุขเวทนาุกเวนาตรงอุ่นแต่ทีนี้ไอ้ความความคิดของหนูอะคือมันมีมาแต่ไหนแต่ไรว่า อ, อตอนที่มันสุกอะละเสร็จเป็นนิดนึงได้ ไม่ใช่เสพนิดอะเสพมากที่เด็ด <c oughs> เราเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าเราเราเราค่ะแล้ ว, <ม>ลวที่มันไม่รู้อ่ะค่ะพระอาจารย์มันไม่รู้เราจะไปสังเกตรตรงนี้ได้ยไงไอความความมันก็หลอกเราอ่ะว่าสุกก็เสพไปแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันกระดับอ่าเดี๋ยวมันกระดับเราก็ไม่เอากับมันดับเราก็ไม่ไปเสียดายแต่ว่ามันมาเราก็นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูไม่ทันมันตรงนี้แล้วก็เลยเหมือสพเข้าไปจะทำอย่างไรพระอาจารย์มันไม่แกงที่มันเย็นแล้ว ถ้าปล่อยให้เย็นต่อไปอีกมันเกิดอะไรบูตนบูดใช่ไหมเ้า่อันนั้นแหละเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนละอ่ะสุกมันก็เปลี่ยนเป็นบูดละพอลักษณะบูรมันจะกลายเป็นร้อนร้อนหรืออุ่นมันกลายขึ้นมาเป็นเป็นอุ่นถ้าอุ่นแบบที่มันบูตนี่ก็อุ่นแบบที่มันสุกนี่ต่างกันไหมต่างคุณไปเสพตรงที่มันอุ่นแล้วมันบูดแล้วนั่นแหละ เป็นบวดไหมแสดงว่าตอนที่หนูมันมันมันสุกอยู่แล้วเราเราเพลินเพลินเพลินเพลินไปกับมาพอเสร็จมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันมันมันจางไปมันคลายออกมันก็เลยเป็นเหมือนธรรมดาอืแต่ว่าหนูพอธรรมดาหนูก็ยังเสพต่อมันก็เลยกลายเป็นบูดใช่เพราะฉะนั้นต้องไปแก้ไขจุดนี้เพราะเวทนาทุกเวทนาที่เป็นฝ่ายหนังใครก็รู้รู้ได้ง่ายใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่สุขเวทนา เป็นเวทนาที่ละเอียดรู้รด้ยากาเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวนั้นมากกว่ า, าทนทุกเนี่ยไม่ยากแต่ทนสุขในยากาเพราะฉะนั้นคนถึงมีความทุกข์กันมากเพราะทนสุขไม่ได้เหมือนกับจับไฟกับถ้าจับอะไรที่มันเย็นสบายแล้วก็จับอยา่อยางอีจับอย่างนั้นถ้าจับไฟนี่ยพับทิ้งเลยใช่ไหมต่อไปคุณกุ้งกราบดําเนิการพระอาจารย์หลวงพ่อ พระคุณเจ้าท่านสองรูปท่านแม่ชีแล้วท่านผู้ปฏิบัติจิตภาวนาทุกท่านนะคะชื่อนัชยธอนนะคะติชิลาสุดตะนันชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะได้เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปีสี่หกที่วัดแพร่แสงเทียนตอนนั้นก็เข้าคอร์สแรกที่ปฏิบัติ สามวันแรกก็จะทุกมากแต่ที่นั่นจะปฏิบัติเข้มเวลาปฏิบัติจะทั้งสัจจะอธิษฐานว่าแต่และ ว, วันจะนั่งจะเดินแล้วช่วงที่ปฏิบัติวันที่สี่ก็จะเห็นเห็นเห็นตัวเห็นนามรูปอะค่ะ จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ปฏิบัติตลอดแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อท่านกลับมาจากอเมริกาพร้อมทั้งญาติธรรมที่ชาวคณะพามาด้วยท่านก็ได้ให้เก็บอารมณ์ช่วงนั้นเก็บอารมณ์ครั้งแรกนี่เหมือนโดนโดนขังคุกเพราะกายอยู่ในห้องแต่ว่าจิตมันดิ้นแบบ แต่มันจะเห็นชัดมากเห็นความคิดเยอะมากฟุ้งมากพอหลังจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณท่านหนึ่งที่บอกว่าต้องปฏิบัติอย่างเข้มอย่างต่อเนื่องจริงๆถึงจะเห็นสภาวะ แล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับเราคอยจะมาบอกคอยจะมาเตือนจากที่เคยเป็นคนทำอะไรเร็วอารมณ์ร้อนเวลาเดินก็จะสะดุดนู่นสะดุดนี่หรือหยิบของอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีสติเลยแต่พอเรามาสร้างจังหวะโดยที่เราเนี่ยตั้งใจทำ มันจะกลายเป็นตัวตัวสติเนี่ยมันมันเป็นวิชาที่สุดยอดอะค่ะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยวเวลาเดินเนี่ยมันจะมีสติไม่ไม่ไมปสะดุดอะไรแล้วเวลาเราจะพูดเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่คอยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนตัวเกาะคุ้มเราอะค่ะว่าเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ย จะพูดเรื่องอะไรแล้วควรพูดไม่ควรพูดแล้วมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนเราไม่อยากพูดกับใครเลยแต่ว่ามันจะมีการรับรู้รอบเราอายตนะทั้งหกก็จะรู้ด้วยเพียงแต่ว่าเราจะไปใส่ใจมันหรือเปล่าเท่านั้นแต่กลับมาใส่ใจกับสติในการใช้ชีวิตประจาวัน แล้วช่วงที่ไม่ได้ไปไหนเลยก็เก็บอารมณ์อยู่ที่บ้านเจ็ดวันโดยไม่ไปไหนเดินยกมือสร้างจังหวะแต่บางครั้งก็มารู้สึกที่รมหายใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาเก่าที่เราเคยได้ได้ปฏิบัติมาแล้วทุกครั้งที่มาฟัง หลวงพ่อจะได้อะไรใหม่ๆกลับไปทุกครั้งจากที่เราเนี่ยบางครั้งจะลืมอะไรเนี่ยอย่างเช่นออกจากบ้านเนี่ยจะหยิบกุญแจเนี่ยเราลืมพอก้าวออกปุบ๊บมันจะถอยกลับมาว่ากุญแจยังไม่ได้หยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่ขับรถเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ขับเนาะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้เราขับแบบ มันมีตัวสติไปอ่ะบางทีเหยียบเบรกเหยียบอะไรเงี้ยมันจะไปเห็นตรงนั้นเลยแล้วบางทีขับขับอยู่รู้สึกไปต่างจงังหวัดเนี่ยมันจะรู้สึกตรงไหลเรา ม, มันเกง่งเกงมันแข็งแข็งพอเห็นปุบ๊บมันก็จะหายไปเลยบางครั้งก็จะรู้ที่จับพวงมาลัยเนี่ยเรากำกำอยู่เนี่ยมันก็จะไปเห็นที่จับแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่กินกาแฟเลยแต่สามารถอยู่ได้โดยที่แบบ ไม่ง่วงเพราะว่าตัวสติเนี่ยมันถ้าเราสร้างมากๆเนี่ยมันจะมีกำลังมากแต่ขอให้สร้างมากๆแล้วช่วงที่เจ็ดวันเนี่ยอยู่เก็บอารมณ์ที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้เก็บอารมณ์เนี่ยมันจะเบากายเบาใจมันจะยกแบบเบาเบารู้แบบเบาเบาโดยที่เราไม่ ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ว่าเอา่ยกยกยกยกไปเดี๋ยวก็เมื่อยหลังเมื่อยไหลแต่หลังจากที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไปแล้วอะฮะมันมันสามารถมันจะรู้เวลาเราเดินพอรู้ยุยยืนขึ้นป๊บเราเรารู้เลยแล้ว่ากําลังยืนหรือว่าเราจะหยิบกระติกน้ําเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราหยิบแม้กระทั่งหยิบช้อนเข้าปากจะเคี้ยวมันมันจะเป็นธรรมชาติไปหมดเลยอะฮะ ถ้าเราได้สร้างตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นกำลังแต่ถามว่าถ้าเราไม่ชาร์จแบตจนเต็มจนร้นเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดมีเพราะเคยเป็นแล้วแล้วจะกลับมาเนี่ยมันยากเนาะแต่ต้องทำให้เหมือนกับจนกว่าเราชีวิตเราจะหาไม่ถ้าเราพบเส้นทางนี้แล้วนะคะแล้วทุกครั้งเข้าเข้าอยู่เก็บอารมณ์เนี่ยถามว่า ง, ง่วงไมก็ง่วงอ่า เบื่อไหมก็เบื่อเป็นบางครั้งแต่มันจะเห็นคุณค่าของของการปฏิบัติแล้วก็จะบองเห็นพระอาจารย์หลวงพ่อเทียนเนาะท่านภาวนาจนท่านประาสุดท้ายก็มาเห็นหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เจ็บป่วยทั้งไอทั้งอะไรฝนก็พังรรามแล้วท่านก็ยังเดินต๊อกตก๊กตามกุดเนี่ยก็เลย คิดถึงท่านหนัว่าเออเราขี้เกียจไม่ได้เนาะท่านบอกเมื่อยก็ทำเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ทำมันจะมีมันจะมีคำเนี้ยเราจะนึกถึงโอ้โหพระคุณท่านเมตตา ม, มากแล้วเราจะเป็นเป็นลูกศิษย์ที่ทรยศ์ท่านเหรือก็จะไม่ทาตามแต่ถามว่าสติมีกำลังมันจะไม่ทำตามใจตัวที่เราอยากอยากพูด เหมือนกับมาปฏิบัติที่นี่ค่ะพยายามหลบสายตาพยายามไม่ยิ้มกับใครไม่อะไรกับใครสติมันจะดีมากแต่ถ้าเราโมจะส่งจิตออกนอกอยากคิดดีอยากช่วยคนหรืออยากเข้าไปคุยเนี่ยประเจนเวินฟุง้งเพราะระหว่างสติที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกไปแล้วมันจะกลับมายากมากแล้วความสูงนี้ก็กลัวนะคะความสูงก็กลัวกลัวผีก็กลัวกลัวหมดแล้ค่ะเพราะว่า เป็นคนเหนือก็จริงแต่มาโตในป่าคอนกีนแต่พอปฏิบัติมากๆแล้วเนี่ยมันจะเห็นบอกว่าเออกายเราเนี่ยเป็นผีที่เดินได้ไอความกลัวเนี่ยเกิดจากจิตเราที่ตุงแต่งแม้กระทั่งใบไม้ไหวๆแล้วก็เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจากหลังจากที่เราปฏิบัติตมากๆจนมันเหมือนเราได้ศึกษาแบบจริงๆครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเนาะหรืออริธรรมอะ่ะแต่มันสามารถเออ เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอะ่ะโดยที่เราใช้วิธีปฏิบัติจริงๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะตัว ป, ประเด็นของคุณกุ้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจคือเก็บรายละเอียดได้เร็วเช่นเวลาขับรถนี่นะเก็บรายละเอียดซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ติดกาแฟเนี่ยเพราะขับเป็นนานมันไม่มีสีมันกลิงใช่ไหเกิงก็เครียดเครียดก็ต้องหาอะไรมาผ่อนคลาย แต่ถ้าเราอย่างหมอทวารเนี่ยได้แค่โอ้ขับรถเป็นสอนอยู่รามคำแหงคนณะพยาบาลแล้วอาจารย์มีน้อยวนขับรถสอนทั้งปีแต่ว่าทังกายไม่เป็นเลยบอกว่าขนาดที่ผมขับรถผมได้ปฏิบัติไปด้วยผ่อนคลายนะต่างบางครั้งไม่อยากนั่งเครื่องเอารถไปนั่งปฏิบัติในรถในห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็จะถึงขับรถเจ้า ด, ดีจนน Gate, ู่นไปชีสเกตไปสุรินไปอุบล มันก็เลยเรียกว่าการที่เราจับสติในขณะทํางานเนี่ยมันสนุกแล้วก็ผ่อนคลายมันได้ทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาส่วนนี้สําคัญอยากให้ฝึกให้มากในจนุดนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรได้เยอะมากเลยโดยที่เราฝึกสติในในการทํางานนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาถึงว่าอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งสร้างจั่ะสักพักมันไปเสีสุขเพราะพอเสีสุขแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเราก็สร้างนามรูปใหม่นะ ดังนั้นเองในส่วนที่เรากำลังทำเลยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เห็นโดยที่ไม่เสพมันก็ง่ายมันมีตัวอยากจะไปยม้ำมนสัศการหลวงพ่อแล้วก็คุณเจ้าแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่ทานวันแรกที่มาปฏิบัติก็พยายามทำนะคะแต่ว่าก็ ความคิดก็เข้ามาตลอดก็คือแบบเหมือนภาพแวบๆคือเราชอบดูหนังมันก็จะแวบเข้ามาแวบอะไรตลอดเวลาแต่เราก็โอเคแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากที่ก็สองวันนะคะก็คือเราก็ขยันทํายังทําได้ไม่ไม่มีปัญแล้วก็อพอดีหลวงพ่อ บ, บอกให้สร้างจังหวะใช่ไหมคะ ไม่ใช่สร้างยันว่าให้ทําให้เป็นเซตสิบสองท่าแล้วก็พยายามทำประมาณชั่วโมงครึง่งตอนแรกก็บอกโอ้โหรู้สึกว่าเราก็อดทนแล้วทาเก่งแล้วนะเรายังรู้สึกว่าเหนื่อยชักจะเบื่อแล้วแบบว่ากว่าจะครบโอโ้ทนทำโอโ้กว่าจะครบชั่วโมงครึ่งนี้แบบจะทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทนไม่ไหวคือทําไดท้ทนได้เพราะเราประเภทนั่งทนอยู่แล้ว แต่ก็ถามหลวงพ่อว่าความคิดแวบเข้ามาแล้วบังเอิญที่น้องเขาบอกว่าเขาใช้นับจังหวะเอาหลังจากนั้นก็มาใช้วิธีการนับจังหวะโอ้อยงี้สบายเลยคราวนี้ก็ความคิดก็น้อยลงแทบจะมานิดหน่อยไม่มีปัญหาเลก็ทำได้ตามจังหวะที่ว่านะะแล้วก็พอหลวงพ่อให้คือ ให้ที่ไปเก็บอารมณ์ครั้งไปเก็บอารมณ์ปุ๊บก็ก็ทำได้คือวันแรกๆก็ทำตามที่หลวงพ่อว่าทีนี้ว่าเออก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนท่าแต่ว่าท่าไหนที่เออเราทนได้คือหมายถึงว่าท่าไหนที่สบายสำหรับเราเราก็จะทำนานหน่อยอาจจะร้อยทีท่าที่ ไม่ไม่สบายก็สิบห้าทีสามสิบทีอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, ะวันแรกก็ทําได้ตามที่หลวงพ่อว่าพ อ, อวันนั้นที่หลวงพ่อไปดูก็ก็คือเก็บรมปุ๊บก็เราอาจจะแบบเราไม่ชอบชอบเย็นเย็นใช่ไหม <c oughs> ก็ จ, จะเปิดประตูหน่อยแล้วก็พอเวลาเดินก็ออกไปเดินตรงระเบียงตรงทางเดินอะไรเงี้ยคะ่ะพอวันที่ วันเมื่อวานเนี้ยคือมันเพราะเข่าเราไม่ดีก็นั่งนานแล้วมันมันจะชักจะทนไม่ไหวแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อาจจะแบบลดท่าลงเอาเฉพาะท่าที่เราทําแล้วมันสบายขึ้นทีนี้ด้วยเ อ, อเวลาที่เราจะต้องทํานานมันก็เลยใช้แบบท่าหนึ่งนานๆก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดตามที่ขอวงพ้อว่านะฮะก็คือทําไปเ็นเล่นนา น, านแบบว่า ่20นาทีหรือว่า30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาท่าที่เราสะดวกท่าที่เราจะไม่ปวดเข่ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําได้จนครบนะคะแล้วก็แต่เมื่อวานนี้ก็คือหลังจากที่มันชักจากคล่องแล้วมันก็คราวนี้อาจจะแบบมันอาจจะความรู้สึกจะสติอาจจะหลุดบ้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแวบๆข้ามาเยอะมาก กว่าวันก่อนหน้าค่ะการที่เราให้เปลี่ยนทุกห้านาทีสิบนาทีเราป้องกันความเพลินเพราะความเพลินมันม า, มาไวมากแต่ไม่ได้ว่าจะตั้งเวลาว่าคุณจะให้มากเท่านั้นเท่านี้คือจะช้าหรือเร็วจะสั้นหรือยาวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเพลินหรือไม่เพลินแต่30มสิบนาทีเนี่ยไว้ใจตัวเองได้ไหมว่าไม่เพลิน ช่วงแรกนี่ไม่ได้รู้วันวันก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้สึกว่าเพลินนะฮะแต่วันหลังมาเนี้ยเอชักเข้าใจละเอ๊ะทําทําไปเอ๊ะมันเพลินนี่ว่าที่หลวงพ่อว่าพร<อ>าครั้งแรกจะไม่รู้สึกเลยที่ท่านบอกทำแล้วมันเพลนเินเน่ะเหม็นเพลินตรงไหนเลยเราก็นับของเราไปเรื่อยไม่ไม่รู้สึกว่าเพลินแต่แต่อีกวันหนึ่งมาเราชักรู้สึกแล้วจับได้ใช่ไหมชักจับได้แล้วว<อ> ะ, ะนี่เราทำเพลินเพลินและชักเพลินละคือเพลินนี่มันเป็นอาการของสุขเวทนา S <S ใช่ไหมสุขเวรเพลินแล้วก็ติดใจเมื่เรารู้สึกเพลินแล้วติดใจปั๊บมันมันมันเป็นผลละแต่เหตุตอนมันเริ่มจะเพลินเนี่ยตรงนั้นสัก5นาทีเนี่ยมันเริ่มจะเพลินละแล้วก็เปลี่ยนมันมันเริ่มจะเพลินแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าไปเป็นผลเนี่ยมันมันแก้ยากเรามีผลต่อเสียต่อร่างกายร่างกายจะเกิดเกร็งหรือไม่รู้ตัวไม่ต้องสังเกตทั้งรูปทั้งนามเลยนะเพราะฉะนั้นมาว่า5้นาที7นาทีเท่าที่พี่ศูนย์มาเนี่ยเต็มที่ละถ้าเลย10นาทีไปเนี่ยเพลินละ ในสาเหตุว่าไม่ให้ชักยาวในในท่าเดียวก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะป้องกันเพราะเราทุกเวทนามันเห็นง่ายแต่สุขเวทนาเห็นยากห้าหนาทีมันไม่พอที่จะสุขหรือไม่พอที่จะทุกพอทนทั้งสองอย่างได้มันแค่แต่ตัดปรับพอดีเพราะฉะ น, นั้นอามาเก็ตในเรื่องนี้ตอนนั้นเขาเก็บอารมณ์กล่าวว่าลองดูสักเจ็ดวันก่อน พอไปถึงวันที่หกถ้าเดี๋ย ว, วันห umm นึ่งวันที่หนึ่งถึงวันที่หกเ่ยนะมันชุดขั้วทั้งสองทางเลยถ้าเพื่อนสุกเพื่อนทุกเพื่อนสุกทุกทุกพ่อเราคิดถึงเวลาเออเวลาก็คิดถึงลวลจะทําเวลาเยอะๆมันจะได้หมดเวลาไวๆใช่ไหมนั่งทีเดียวอนั่งทีเดียวเยอะยาวเลยโอ้มันยิ่งแย่เลยพอวันที่เจ็ดเอาใหม่มาเปลี่ยนผลิตท่าทั้งสิบสองท่าในาีขึ้นมาท่าละห้านาทีเปลี่ยนห้านาทีเปลี่ยนพอทําได้สักสามชุดเนี่ย จิดมันลืมที่มันเคยชัดสายคิดนูนนมันนิ่งพอต้นใบอีกได้สี่ชุดพอต้นเย็นมาตอนที่จะหลับเนี่ยมาตามรู้ลมหายใจพอตามรู้ลมหายใจนี่เนื่องจากสมาธิที่ไดจากการที่เราต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยมันแรงพอตามลมหายใจปั๊บมันพุดหายไปเลยลมหายใจตัวนี้แข็งทื่อเลยมันก็เลยเออ โดยที่เราตั้งใจต่อเ น, นื่องเกินไปมันทําให้เกิดสมาธิแรงมันก็เลยสะกดจิตเข้าไปในเหลือนิดเดียวเลยไอตรงนี้บางทีว่าเข้าฌานเข้าสมาบัตเข้าอะไรต่างๆเลยนะคือผู้นี้จะไปราย ง, งานหลวงพ่อเทียนนตื่นเช้าเราก็รีบไปเลยไปหาหลวงพ่อเทียนบอกว่าอันนี้แหละอาจารย์อื่นบอกว่าเป็นฌานเป็นสมาบัตเป็นบอกอันนี้คือการสะกดจิตตัวเองผมทดสอนมาแล้วผมสอนก็ได้ว่างั้น ท่านบอกนี่คือการสะกดจิตตัวเองเข้าชานแบบสะกดจิตตัวเองซึ่งมันมันทำให้เกิดพลังก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่วิปัสนาเพราะนั้นเลิกทํานะถ้าคุณทําต่อไปคุณติดถ้าคุณติดถ้าจิตคุณจะอ่อนพราจิตคุณอ่อนจิตคุณไม่สู่อารมณจิตคุณสู้อารุณ์คุณก็ไปอริยภูมิไม่ได้คุณก็เป็นแค่ลุยสีโอชักกลัวแล้วที่นี่นนนจากนั้นไม่ไม่ไม่เอาเลยก็เลยมาอาัดตักชั้นๆเอาชอบชั้นสั้นห้า น, น, นาทีสิบนาทีอย่างมากไม่เกินสิบนาที สามห้าเจ็ดเนี่ย ก, ก็อยู่ในเกณฑ์นี้คือทดสอบมาหลายครัง้งแต่หลายหนนะมันก็ได้สูตรนี้ออกมาแต่ว่าเอามาเสนอแล้วบางคนก็ทําถูกบางคนก็ทําผิดบางคนที่ทําถูกก็ได้ผลเหมือนกันบางคนที่ทําผิดก็ทําเกินไปบ้างหรือเพลินบางทีเพลินไม่ใช่ว่ายาวนไม่ใช่สั้นๆสักสามนาีมันก็เพลินได้ถ้าเราเราตั้งเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตนะเพราะฉะั้นอันนี้ลองปรับบ่อยๆเพราะเนื่องจากคุณยังใหม่กับวิธีนี้มากนะ เราไปปรับบ่อยๆก็แล้วกันนะขอเชิญยงเชื่ออะไรเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำตัวเองด้วจ้ะชื่อเมฆชื่อจริงรัศ ม, มีนะะต่อไปยงกับนมัสการหลวงพ่อพระคุณเจา้าคุณแม่ชีและเพื่อนสหธรรมทุกคนนะค ะ, ะชื่อสันสนีค่ะชื่อเล่นชื่อต้องค่ะเริ่มปฏิบัติแนวสนใจ แนวหลวงพ่อเทียนนะคะด้วยการอ่านหนังสือท่านอาจารย์กัพลเมื่อป ล, ปลายปีที่แล้วะคะ่ะก็ไปบ้านอาลีบ้างสวนโมกกรุงเทพบ้างก็ปฏิบัติแบบรุ่มๆุ ม, มดอนๆ น, นะคะแต่ก็พยายามทำอยู่เพราะคิดว่าเป็นหนทางที่เหมาะกับจริตของเราทานี้มาครั้งนี้มาฝึกในช่วงแรกๆนะคะก็ ทำไปประมาณว่าบางช่วงก็ดีคือไม่ทรับเพินหรือหรือเปล่านะคะมันราบลื่นดีค่ะแล้วก็บางช่วงก็มีทุกขเวทนามากปวดไหลอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงวันที่สี่ตอนก่อนจะพักที่หลวงพ่อว่าเออพวกเราต้องทำสิบสองท่า แต่ก่อนจะทำแบบอันไหนทนได้นานก็ทำมันนั้นนะคะพอทานข้าวกลางวันขึ้นมาเสร็จหลวงพ่อให้ทำเราก็ทำเออเราไม่เคยไม่เคยที่จะดูเวทนาตอนนั่งของเรานะคะไปเน้นแต่ว่าเราเคลื่อนไหวมือในช่วงที่ทำมันนั้นนะคะไม่ไม่ได้ดูนาฬิกานะคะก็ทาไปเรื่อยๆปรากฏว่าเฝ้าดูเวทนาแล้วก็พอมันเริ่มตึ ง, ตง เราก็เปลี่ยนปรากฏว่ามันมันเบาเบาดีค่ะเสร็จแล้วพอทำไปถึงบ่ายสามทานน้ำขึ้นมาใหม่ทานี้ช่วงบ่ายอะค่ะมันจะเป็นไม่รู้จักนะคะหลวงพ่อมันจะเป็นเหมือนเป็นจังหวะปื๊บปื๊บป๊บไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนค่าเสร็จแล้วหลวงพ่อถามว่ามีใครมีคำถามไหมเราก็นึก ไม่ถามเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นมันก็หายองเงี้ยค่ะเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ตอนบ่ายตอนที่เริ่มเข้าไปนั่งในห้องนี้เลือกที่จะเป็นบ่ายสามถึงห้าโมงเพราะตัวเองคิดว่ายังไม่แข็งแรงกินข้าวเสร็จต้องง่วงแน่ก็มานั่งที่เนี่ยค่ะก็ทำเป็นชุดก็รู้สึกว่าอ๋อสิบสองจังหวะสิบสองท่าช่วยเราได้มาก ทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่ทำตามใจว่าเราคุ้นเคยอันไหนนะคะก็ผ่านไปอย่างปกติค่ะแต่การที่จะเดินและเห็นไม่ถึงเวลาเปลี่ยนท่าแล้วเห็นเวทนาชัดไหมยังไม่ค่อยชัดค่ะหลวงพ่อแต่แต่เราเราเริ่มออสังเกตมากขึ้นอาจจะเราไม่ทนถึงที่สุดก็เป็นไปได้ค่ะท่านี้พอเริ่มเก็บอารมณ์เต็มวันเมื่อวานนี้ แต่ก่อนก่อนที่จะเก็บอารมณ์นะก่อนที่จะเข้าไปในห้องอะนะคะความคิดมันมาแล้วมันจะแบบไปไม่นานนะคะแต่อยู่ในห้องนี่มันจะมาเป็นเพื่อนเลยค่ะมาเหมือนสายลมค่ะเข้ามาแทนที่ไม่มีลมนอกห้องมันมาแล้วมันก็ไปแต่บางทีก็อยู่นานก็พอหลวงพ่อเดินมาตอนบ่ายบ่ายประมาณบ่ายสามหลวงพ่อก็ไปถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะเรา เรารู้สึกปวดอะคะ่ะถ้าเรานั่งสักสี่ท่าแล้วเราไปไปไปเดินได้ไหมหลวงพ่อก็ว่าจริงๆแล้วควรทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วควรให้ถึงสิบสองต่อไปแล้วก็ควรจะเดินถอยหลังเพื่อให้เรามีสติมากขึ้นก็พัฒนาขึ้นนิดนึงในแง่ที่ว่าเออเราเราอยู่กับการทําความเพียรได้มากขึ้นค่ะก็ คิดว่าได้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะคุณพ่อค่ะกราบขอบพระคุณค่ะตัวเพลินในสุขกับเพลินในทุกเนี่ยอันไหนสังเกตได้ง่ายในสังเกตได้ยากเพลินในทุกค่ะคําว่าเพลินในมันไม่เพลินมันรู้สึกอืมช่วงยมไม่ทราบตอบตรงหรือเปล่านะคะแต่แต่ก่อนเนี้ยค่ะก่อนที่จะ สิบสองท่านะคะไม่เคยสังเกตตัวเองเลยคิดแต่ว่าไม่อีกลเจ็บมาะไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาสิบสองท่านี่คือเขามาแล้วดูดูเขาเหมือนที่หลวงพ่อว่าดูเขาจนถึงจุดที่ว่าเราคิดว่าเราทนไม่ได้เกือบจะทนไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนเ อ, อความราคาญหรือหงุดหงิดว่าเราเจ็บอีกละเราเราจะสร้างจังหวะนะคะ มันทําความเป็นเพื่อนรู้จักเขามากขึ้นอืมค่ะเห็นไหมตัวเพลินในทุกข์มันก็ให้เกิดปฏิฆาอุญกิจ <c oughs> ตัวเพลินในสุขมันเกิดให้กามฉันทะคือชอบ <c oughs> แล้วตัวนี้ก็จะต่อเนื่องไปเป็นความปฏิจใจติดใจก่อใเกิดเป็นกามฉันทะไปเป็นนิวรณ์เลยนะ <c oughs> เพราะนั้นในการปรับความเพลินทั้งสุขทั้งทุกออกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทําให้เรา สัมผัสสภาวะที่เป็นกลางได้ได้ไวคือว่ารู้ซื่อเนี่ยคือจิตต้องไม่เพลินในสุขในทุกถ้าเพลินในสุขในทุกมันรู้ไม่ซื่อแล้ะรู้หนักไปทางสุขบางรู้ถับทางทุกข์ดังนั้นคำว่ารู้ซื่อเป็นคำง่ายๆแต่ว่าเข้าใจยากมากนะเพราะนั้นต้องปรับจิตให้มันมันบาลานซ์ตรงกลางจริงๆแล้วเราก็จ ะ, ะตัดความเพลินแล้วในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยความเพลินใช่ไหมกินเพลินนอนเพลินพูดเพลินทําเพลินดื่มเพลิน แล้วก็ถ้าเราไม่เพลินดูมันว่าไม่มีความสุขใช่ไหมถ้ามันไม่เพลินก็ต้องหาเรื่องมาเพลิ น, นต้องดูหนังฟังเพลงเขียนหนังสือคุยกับเพื่อนหาอะไรมาใส่ปากเคีว้วไม่แต่มาฝรั่งกเพู่อจะให้มันเพลินเนี่ยชีวิตของเราเป็นอยู่ด้วยความเพลินเวลาเรามาปฏิบัติเราต้องตัดตัดกระแสตัวนี้เองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะแล้มันจะไหว<ช>น ะ, ะยมขอแถมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ ตอนแรกทำใบเอะอ๋อไอเนี่ยมันทุกทุกอย่าอย่าไปนาทนได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเปลี่ยนอ๋อนี่เป็นเวทนาเมื่อคืนหลวงพ่อพูดอีกว่าเวทนามีสามระดับโยมก็เฮ้ยแล้วอันที่มันไม่เจ็บเนี่ยมันอัดถึงว่าไม่รู้จักนะคะพอเมื่อกี้น้องน้องเปิ้ลพูดนะคะอ๋อ ไอ้เพลินเนี่ยคะ่ะมันคือเวทนาเหมือนกัน<ช>อ๋อพาะหลวง พ, พ่อพูดความรู้ใหม่สําหรับโยมก็คือว่าเวทนาเป็นตัวทําให้เกิดนมามบรูปอ๋อไอ้เพลินนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นนมามบรูลเหมือนกันนมามบรรลุฝ่ายสุขเวทนาเราเป็นนมามบรรลุที่ค่อนข้างรู้ยากด้วยเพราะอะไรเพราเราเสพติดมันมาตั้งนานแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักนะ น, นเรนลืมรู้จักแล้วอ้าวต่อไป อ๋อเดี๋ยวประเด็นประเด็นแทรกหาว่าไงหนูดูเมื่อ <laughs> ก, กี้อ่ะนะคะเมื่อกี้หนูลองสังเกตดูว่าเวลาสังเกตดูสุขอะค่ะที่เราไปเพลินก็เลยมาเห็นว่าถ้าสุขที่เราเพลินน่ะถ้าเพลินเราอยู่กับตัวรู้อ่ะมันก็จะเล่นงานเราไม่ได้ไเราเหมือนกับเราอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่ตรงมือที่เรารู้สึกทีนี้มันก็จะมีบางห่วงที่ว่ามันเผลอไปเป็นเริ่มไปเป็นง่วง ทีนี้พอไปเป็นง่วงบางทีหนูจะไปสังเกตความง่วงให้มันเกิดแล้วมันเกิดมาแล้วจะดูมันดับก็มันมั น, ม, นมันก็สู้ไม่ได้ต้องเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนท่าแต่ทีนี้พอหนูลองเปลี่ยนใหม่โดยที่ความง่วงเริ่มมาปึ๊บหนูกลับมาที่มือรู้สึกตัวปุ๊บ ความง่วงมันหายไปเลยหลวงพ่ อ, ห, อหนูก็เลยว่าที่จริงแล้วเราไม่ต้องไปสังเกตความง่วงละสิถ้างั้นเพียงแต่เรากลับมาที่ที่รู้สึกตัวทุกอย่างมันก็หายไปหมดและอ้าหลวงพ่อก็พูดเรื่องนี้ทุกวันไม่ใช่เหรออ่อใช่แต่ทีนี้<อ>มั น, นยนะังไม่เห็นจริงได้ตัวเองยังไงหลวงพ่อเห็นได้ตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะต้องเห็นได้ตัวเองความจริงแล้วอยากถามคำหนึ่งว่าเราเป็นทุกทุกวันเนี่ยเราเป็นทุกเพราะทุกขเวทนาห ร, อ <S <S หรอือส<ะ>ุขเวทนา ทุกพอสุขเวทนานะทุกเราเสพสุขเวทนาเราเรามีลูกคนหนึ่งสามีคนหนึ่งเนี่ยเพราะเราติดสุขเวทนาใช่ไหมแล้วเราจะต้องรับใช้พระบิบกรมสุขเวทนาไปตลอดชีวิตคุ้มไหมไม่าทุกคนถึงบางอ้อละตองนี้ที่เราจะต้องทั้งหมดชีวิตเนี่ยทุ่มให้แก่ชีวิตและครอบครัวเพราะเราเสพสุขเวทนาแล้วในที่สุดมันก็เป็นบ่วงเป็น เป็นบ่วงของมาร น, นะที่พุทธเจ้าท่านบอกดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอพ้นแล้วาจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์บ่วงอันเป็นของทิพย์ก็คือติดความสบายร<า>ิดเ ด, ดชานบริหารความสงบระ้ับจิตใจและพ้นระบบเป็นของมนุษย์คื อ, อการเสพลูกเสียงกลิ่นโดยสัมผัสอารมณ์ที่อย่างใจเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์เลยนะ<า>เธอพ้นจากทุกข์ไม่ใช่นะ<า>เพรา ะ, ะบ่วงเราเนี่มเป็นเหตุของทุกข์ถ้าเธอไปติดไม่พ้นมันเนี่ยทุกข์ต้องมาแน่นอนค โ <Okay. S 2> อเคชุ่มไปแม่ข้างหลังกรรมนะแมกสกัดหลวงพอ่อพระคุณเจ้าและคุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะปฏิบัติเป็นครั้งที่สองคะ่ะชื่อมอนทิพย์นะคะครั้งครั้งเนี้ยคะ่ะช่วงสองสาวันแรกจะรู้สึก ต, ตัวเองง่วง เบื่อหงุดหงิดแล้วมันก็จะต่อสู้กับความง่วงด้วยการขัดขืนแล้วก็พอขัดขืนมากมันยิ่งเกิดอารมณ์อะไรมากมายแล้วก็เป็นทุกข์มากพอช่วงที่ช่วงที่สองสาวันหลังเนี่ยค่ะรู้สึกดีขึ้นโดยที่ที่ได้ฟังหลวงพ่อเรื่องมีคำหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่า การปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติเคลื่อนไหวก็มีทางเลือกถ้าเราเบื่อตรงถ้าเราเป็นนะตรงนี้เราก็เปลี่ยนไปทำอันอื่นท่าอื่นก็เลยเออกไปคิดแล้วก็ลองดูว่าตัวเองสู้มากตอนที่ลองทำอย่างอื่นล้างหน้าบ้างขยับมือบ้างออกกำลังกายบ้างแล้วก็เคลื่อนไหวแรงๆถ้ามันเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนขายังไม่รู้สึกก็ไปยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเอก็ดีขึ้น แล้ตรงคําว่าทางเลือกก็ทําให้เห็นวิธีการใช้ชีวิตตอนอยู่นี้เนะะี่ยค่ะบางทีเราลังเลเอ๊ะจะทําอันนี้ดีไห ม, มปรากฏว่าเราก็เลยมันไม่เป็นไรทําคือคือเลือกสักอย่างหนึ่งไอภาวะที่มันลังเลมันยิ่งทรมานกว่าพอเลือกทําแล้วผิดก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะมีเสียงตําหนิเรื่อยว่ามีทั้งตําหนิตัวเองเสียงตําหนิผู้อื่นเวลาที่เราเห็นหรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันมันก็ทำให้ลดเสียงตำหนิลงในหัวได้ทีนี้แล้วคำที่หลวงพ่อบอกอันนึงเม่านเนี้ยค่ะตอนที่ตอนที่เก็บอารมณ์อยู่ในในห้องก็ตั้งใจว่าจะไม่หลับก็ไม่หลับค่ะทั้งที่นอนน้อยมากและนอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งที่ กำลังเดินกำลังยืนปฏิบัติแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้เปลี่ยนบ่อยๆช่วงที่เก็บอารมณ์ค่ะแล้วก็หลวงพ่อเดินมาก็เลยบอกหลวงพ่อว่าตัวเองไม่รู้ว่าอันนี้เพ่งหรือไม่เพ่งเพราะเราทำได้เรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าจังหวะตรงกลางคืออะไรหลวงพ่อบอก ทำแล้วรู้สึกสบายพอคําว่าสบายเนี่ยก็กลับมาสังเกตมืออืบางทีเราแขนเราไปเรื่อยๆแล้วตาเราก็สบายคือมองที่ต้นไม้มันก็เลยกลับมาอยู่ได้กันระหว่างความสบายของแขนที่เคลื่อนไหวแล้วจังหวะเมื่อเช้าค่ะคือเมื่อวานเนี่ยพอที่ยินว่ามีจะคนจะกลับใจเราก็อยากกลับอยากกลับบ้านไอ้ความหงุดหงิด น, นี่ก็เริ่มทรมานแล้วค่ะแต่ก็แต่ก็บอกอลองอยู่ลองทน อีกคือเดี่ยวเองพรุ่งนี้จะได้ออกได้เลิกครบเจ็ดวันแล้วมาเช้าที่นั่งสร้างจังหวะตอนสวดมนต์เสร็จนะคะก็ได้รู้ว่าไอ้ความพอดีอตรงไหนระหว่างการเคลื่อนไหวมือซึ่งเป็นตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางตัวเราค่ะกับการได้สังเกตอาการนั่งที่มันเมื่อยคือมันจะรู้พร้อมระหว่างรู้ที่แขนบ้างรู้ที่ก้นที่เท้าเลยสัมผัส พ, พื้นแล้วกลกลับมารู้ที่ตาที่หนักคือมันมันสามารถ กล้ใกล้สวิตไปที่ข้างบนบ้างข้างล่างบ้างและไอ้ความพอดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นว่าอ๋อพอเราเริ่มรู้ที่ตาเนี่ยดวงตามันจะหนักเราก็เปลี่ยนเป็นเพ่งไฟบ้างหรือกล้องสีษะพอรู้ที่กดเราก็เปลี่ยนขาอีกจังหวะพอดีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมาตรงนี้เองเ้าเรียกว่าความสบายแล้วก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมขอบคุณค่ะเปลี่ยนแปลง ได้ก็โดยการมาสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจุดนี้เป็นจุดสําคัญก็คือความปฏิเขาเรียกว่าปฏิพานนะปฏิพานไว้พิพงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ปฏิพานปล่อยให้มันเพลินไปจนสุกเพลินสุดๆแล้วก็ปล่อยให้เพลินไปเรื่องทุกข์ก็ไม่สบายสุตค่อยเปลี่ยนลักษณะเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้ใช้สติละไม่ค่อเวทนามันเตือน เป็นนี้คนทั่วไปที่ทุกอย่างก็คือสนองต่อสุขเวทนาเวลาทุกหน่อยเราไม่ค่อยทนรับเปลี่ยนไปพเพราะไปปติดสุขเวทนาดังนั้นเมื่อติดสุขเวทนาแล้วมันก็เพลินเพลินแล้วมันก็ไปตอกย้ําความอดิดอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีกํำลังพอมีกําลังแล้วมันาก็กลายมาทําให้เกิดวิบากทําให้เราไปเสพสุขต่างๆเพราะนั้นสาเหตุของทุกในคนในโลกเนี่ย มีประกันเดียวคือไปเสพสุขแล้วเขาสุขเขามันก็เป็นอนิจจังใช่มมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์พอเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็วิ่งไปหาหสุขพอสุขมันก็เป็นอนิจจังก็เปลี่ยนมาเป็นวนเนื้ออยู่นี่เขาเรียก ว, ว่าตัาสงสารและว่าต่าสงสารตรง น, นี้มันก็จะไม่สิ้นจบเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่มาศึกษาวิปัสนาจนเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติวิปัสนาทุกคนจะเข้าใจนะคนปฏิบัติวิปัสนาที่ผิด หรือไม่ถูกนี่ก็ไม่เข้าใจได้เหมือนกันคือเข้าใจได้ไม่ครบเข้าใจได้บางส่วนขึ้นอยู่ว่าคนที่ปฏิบัติวิปัปสนาที่ถูกต้องนะก็จะต้องใช้สติปัญญาและมีกายานมิตร ค, คอยปรับคอยแก้กันไปจนกระทั่งเราเกิดสติปัญญาของเราเองตรงนั้นน่ะมันจะนําไปสู่การตัดกระแสของเวียนว่ายแต่เกิดของสุขทุกข์ของอร่อยไม่อร่อยเนี่ยได้จนอยู่เหนือมันอเพราะฉะนั้นจุดนี้ อะไรเพียงนิดหน่อยนะมีผลสําคัญมากเราอย่ามองข้ามสุขนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะความสุขก่อให้เกิดความเพลินเพลินเราก็เกิดการผ่อนคลายเพระาะคนก็เลยไปทําอะไรมันตึงมันเึ้นผ่อนคลายไม่ทันกาแฟก็แล้วเอ็มร้อยก็แล้ ว, ลวสปอนเซอร์ก็แล้วเอายาบ้ายาขยันมาไว้ก่อนที่จะติดยาว่าขยานันเขาต้องผ่นบุหรี่ก่อนแม้แต่บุหรี่นี่กับพระก็เลิกยากน ะ, ะเลิกยาก พระองค์หนึ่งพยายามที่จะที่วัดเราบอกให้เลือกสูบุหรี่ท่านก็พยายามเลือกแต่เลือกไม่ได้เพราะมันติดลึกแต่ท่านวิธีแอบสูบเอาไม่ให้ใครรู้ไม่ได้กลิ่นก็ไม่ใคได้ได้กลิ่นนะแต่เราไม่ได้คุณจะสูบหรือไม่สูบมันไม่ได้แสดงว่าเห็นหรือไม่เห็นเพราะเราสังเกตที่ขอบตาลิมฟีปากและลมหายใจเสียงพูดคนสูบไม่สูบมันจะต่างกันดูอาการใช่ไหม แค่คุณพูดนานๆแล้วคุณหอบนั่นแสดงว่าปอดคุณไม่ดีแล้วนะก็เสียงก็เปลี่ยนไปเลยฟังเสียงสดมนั้มันขึ้นๆลงๆไม่คงที่เสียงไม่ใสแสดงว่าคุณติดอยู่คุณจะฉันจะบอกหรือไม่บอกก็ตามฉันจะเห็นนะไมริกัแต่คุณก็ยังติดอยู่เพราะอาการเหล่านี้มันบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาการของการติดสุกเนอะมันมีอาการข้างเคียงเยอะแยะมากเลยแต่ว่าเราไม่ไม่สังเกตไม่เห็นมันไงเพราะฉะนั้นใครจะสุกไม่สุกไม่ต้อง บอกบางคนบอกว่าผมขอปฏิญาณกรับผมจะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิต<ม>แต่อาการมันบอกว่าคุณยังดื่มอยู่อ่ะฉันไม่ไปตามไปเห็นคุณหรอกแต่อาการที่คุณแสดงออกมานะเป็นคนกินคนยังติดอยู่นะอ้าคนสุดท้ายหนูใครไม่เธอคุณไม่ใช่เลยเรียบร้อยเออคุณอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอันอ่เธอใช่ไหม เธอก่อนเลยเอก่อนเล ย, น, เลยน้ำมัสการค่ะแล้วก็นนแล้วเพื่อนเปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อนเพื่อนปฏิบัติธรมธรมทุกๆ ท, ท่านค่ ะ, ะชื่อขนกพรนะคะหรอือเล่นว่าชื่อเล็กก็ ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมก็มีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จักพระอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมที่โยบุตรเพิ่งจะผ่านมาประมาณสองเดือนเสร็ จ, รจที่ว่างจากการดูแลแม่เพราะฉะนั้นตอนที่การว่างเนี่ยเราก็เหมือนเราอยู่คนเดียวแต่มันมีความสุขของเราอยู่ช่วงหนึ่งว่าเอ้ยไม่เคยได้อยู่คนเดียวแบบเนี้ย พอได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไอ้ที่เราถวิญ ห, หาโหยหาว่าเราต่อเลี้ยงแม่อยู่ประมาณสามปีเฮ้ยเราอยากจะปฏิบัติที่อยู่ที่บ้านอะที่อยากจะปฏิบัติแต่เราทําไม่ได้เราก็เลยหาละลุกขึ้นลุกขึ้นหาว่ามีที่ไหนที่เราจะปฏิบัติได้ก็ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนแนะนําให้มาโยบพุทธทั้งทั้งที่เป็นไกลบ้านแต่ ไม่เคยสนใจเลยสามสิบปีที่ยุวพุธตั้งมาบ้านเราก็อยู่สามสิบกว่าปีไม่เคยสนใจ <Okay. S 1> เขาเรียกเหมือนใกล้เครือคินดางหนูไม่สนใจเลยไปทําบุญทําทานไปสามปีที่แม่เจ็บลูกเจ็บมาสี่ปีพร้อมๆกันไล่ๆกันทำบุญทําทานไปทําเพื่อรู้ว่าบุญช่วยผลเราได้ก็พิสูจน์มาแล้วว่า บุญช่วยได้แม้กระทั่งช่วยลูกในการสวดมนต์บทนานๆเป็นชั่วโมงสามบทใหญ่ๆบทธรรมจักระพัดไปปิดกแล้วก็อีกภรคถาหนึง่งก็สวดมาแล้วก็ใช้เห็นผลที่ว่าในการที่เรื่องลูกล้มหัวฟาดแล้วสมองมีปัญหาก็เอาตรงนี้ช่วยแล้วสักวันหนึ่งก็ได้ก็ทำมาสามวันจนกระทั่งลูกสามารถเดินได้ จากที่ล้มแล้วเดินไม่ได้เลยก็เลยเชื่อเรื่องบุญก็คิดว่ายังไงบุญช่วยทั้งแม่ทั้งลูกแต่ทั้งตัวเองได้พอมีเวลาว่างก็กลับมาพอมาเจอพระเจอสถานที่ที่นี่เป็นสิ่งที่เราชอบพาอชอบต้นไม้ชอบอะไรตั้งแต่เด็กแล้วพอเล็กลับมาว่าบอกกับตัวเองว่าเอ้ในสถานที่แบบนี้เราชอบเราน่าจะทำไม่ได้ทั้งที่เราปฏิบัติไม่เคยได้เลย ก็มาก็มาสองวันแรกที่ทำโดยเพอะตะเรียนรู้มาก่อนแล้วจากคุณเปิ้ลที่แนะนำมาแล้วมาเจอก็ยังไม่สนใจอีกนะทำไปเรื่อยเหมือนยังมีทุกข์อยู่แต่ก็มาเจอพี่กุ้งที่ที่เจอกันที่ยูวัปุตสอนละเอียดหน่อยว่าเอ้ยเราทำแล้วเราก็มาปฏิบัติตรงที่ทยูวัปุตพอนั้นมาก็เจอที่นี่ก็มาทำ แต่ทําพราะความที่เราทำไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีๆก็ทำไปเรื่อยๆจนอาการบาดเจ็บที่เรามีสั่งสมอยู่แล้วตั้งแต่คอรและที่ยูพุฒมันก็ตับปวดหลังปวดคอเพราะเราเก่งมาพอมาทำนี่ก็ก็ยังเป็นซ้าซ้มพอมาหลวงพ่อบอกสิบสองทำไปแล้วสองวันวันที่สามหลวงพ่อบอกว่าให้ทำสิบสองท่าหนูก็เริ่ม ผ่อนขลายขึ้นพอมาก่อนต้องทนทนทำจนเป็นเน็บแล้วถึงจะเปลี่ยนพอเป็นเน็บเสร็จก็ต้องแก้นเน็บอีกเพราะอยู่แต่กระทุกเวทนาตลอดพอมาทำเปลี่ยนจังหวะไอเริ่มทีครั้งแรกเพราะว่าผ่อนขลายเรื่องร่างกายพอมาครั้งที่สองเริ่มสิบสองจังหวะหนึ่งชั่วโมงจะคอยมองเวลาว่าถ้านี5ห้านาทีพอทำไปทำมาอีกเกิดอาการหาวตลอดเวลา แก้แล้วแก้แล้วสิบสองท่าเฮ้ยทาไมตอนแรกยังไม่แก้ยังไม่แก้ทําไปเรื่อยเรือยเฮ้ยทำไมมันทําเป็นท่าหนุนก็เป็นท่านี้ก็เป็นพอมาเริ่มสตาร์ทใหม่เริ่มถามพี่มารีมาถามพี่มารีก่อนพี่มาลีบอกลองหายใจลึกๆทําแล้วก็ไม่หายก็ไม่หายก็สุดท้ายก็มาถามหลวงพ่อตอนแรก ว, ว่าจะไม่ถามว่าจะทำทนไปเรื่อยเื่อยมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกอะ โอเคตรงนี้หนูก็เลยมาปรับมาปรับเปลี่ยนเป็นท่าอย่างอื่นบ้างให้แรงๆหนูก็สะบัดหัวมั่งอะไรมั่งก็ทาไปเรื่อยๆก็เก่งใจคังค้างเหมือนกันก็ทาไปเรื่อยๆก็จนตรงนั้นก็เบาเบาลงมันก็เกิดทุกเวลานาตรงเอิร์ดอีกขึ้นมาอีกหลายๆเรื่องก็ค่อยๆปรับไปก็แก้สถานการณ์ไปอยู่เรื่อยๆมันง่วงก็ ลุกไปทำท่ายืนบ้างท่าอะไรบ้างก็ปรับแล้วรู้สึกสบายขึ้นทำให้อารมณ์ที่เราเสพเสบอยู่ตรงนี้ว่ามันสบายแต่ไม่ได้เสบสุขมากนักเพราะแทบจะรู้สุกน้อยมากจะรู้แต่ทุกเวลาทำก็ดีขึ้นเจ้าค่ะแต่เมื่อวานไม่ค่อยเวิร์กเมื่อกลับไปเก็บอารมณ์ครั้งแรกที่ที่สู้กับถามหลวงพ่อว่าหนูง่วงหนูไปเก็บอารมณ์หนูต้องง่วงแน่เลยหนูเห็นที่นอ น, นต้องหลับ หลวงพ่อบอกให้มานั่งข้างนอกแต่สุดท้ายมาปกหนูก็เลยสู้กับสกิเลตตัวเองอยู่ในตรงนั้นซะเลยแต่ขอโทษหนูหลับไปนิดนึงในช่วงเวลาพักก็จะเที่ยงประมาณบ่ายอะไรเงี้ยหนูหลับไปนิดนึงมันเหมือนเราฟื้นตัวเราก็ทำได้จนกระทั่งนั่งทำที่ระเบียงพอดีหลวงพ่อเดินมาหนูไม่รู้มาวะพูดในจิตมาตกใจแต่ว่าก็ก็ทาได้อ่ะก็เลยคุยก็วิงเราก็ผ่านมาได้นะ ชีวิตนี้เราก็เฮ้ยเราก็สู้กับกิเลสมาพอทำได้ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะแล้วมาถึงวันนี้ก็ดีมากๆโอ้คุณค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรคืออยู่ใกล้บุญวันทางนาน น, น, เนะเนาะแต่ว่าคือไปทำบุญแต่ว่าไม่เอาวิปัสนาเราใช้สมถะอย่างเดียวมาแก้ไขปัญหาชีวิต อันนี้ส่วนหนึ่งนะที่เป็นเสน่ห์ของของสมถะคือบางสิ่งบางอย่างมันแก้ได้เราไปติดตรงนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสมาถะไม่มีผลนะแต่มันมีผลระดับหนึ่งมีผลระดับหนึ่งแต่พอลึกเข้าไปปัญหาลึกๆเข้าไปสมถะมันจะแก้ไม่ได้เพราะกําลังมันไม่พอทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าเรามาทำลักษณะอย่างนี้วิปัสสนาที่ใกล้ตัวเองใกล้ตัวเองแล้วมาแก้ไขทุกอย่างที่ตัวเองมันก็จะรู้จักวิธีแก้ข้างนอกแล้ว พอแก้ข้างนอกบ า, บางอย่างแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้แต่แก้ข้างในคือแก้ใจตัวเองเนี่ยมันได้เสมอใช่ไหมตัวนี้คือทางเลือกคือวิปัสนาเพราะฉะนั้นสมถะที่เข า, เาทําเขาเรียกว่าเขาใช้กันเรื่องคาถาเรื่องสวดเรื่องอะไรต่างๆมันก็ใช้ได้เราเดินเป็นานๆไปเราไปติดที่ผลของมันแล้วก็เลยไปไปชอบใจตรงนั้นแต่ความจริงมันมีอีกระดับหนึ่งคือไปสู่วิปัสนามาแก้ที่เหตุ เราเราไม่เสียบที่ผลเราแก้ที่เหตุมันก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างมันจนหมดปัญหานะจนหมดปัญหาดังนั้นเองก็เรียกว่าถึงแม้จะมาช้าหน่อยก็ยังดีหลายคนที่อยู่ใกล้กว่าคุณ อ, อีกในที่สถานปฏิบัติธรรมนะแต่เขาก็ยังไม่เกิดเลยเพราะเขามีวิบากกรรมอยู่คือว่าโคจรใกล้กันมากแต่มันดาวคนละดวงนะจนกว่าจะหลุดเข้ามาอยู่ดวงจร น, นี้พระปุณก็ใกล้และมีฮึ่งตัวรู้เข้ามาเวลาเศมีโลกเนี่ย ท, ทุกดวง เหมือนดาวอาทิตคือเหมือนก็ดวงตัวรู้ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะบางคนก็โคจร อ, อยู่ข้างนอกตลอดไม่มีโอกาสเข้ามาใกล้บางดวงก็เข้ามาใกล้เ ข, าาลข้าใกล้เข้าในสุดเข้ามาอยู่ในสภาวะรู้ล้วนๆตรงนั้นแหละก็เรียกเข้ากลุ่มคืนเป็นตัวรู้โดยสมบูรณ์ก็คือหมดความทุกข์และปัญหาเราหวังว่าวันหนึ่งคุณจะโคจรไปรวมกับดาวดวงนั้นเขานมองบูชาด้วยน ะ, ะอ้าวคุณโช หลบไม่ได้แล้วคุณต้องว่าดตามคขาไปจริงอะไรมีจริงก็พูดไปอย่างนั้นแหละเชียวเชีวหรคุณหน่อยเนาะเช่กนกาบรมมาสการหลวงพ่อมหาดิเรกนะคะแล้วก็แม่คณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีแล้วก็เพื่อนเจ้าสวัสดียะติธรรมทุกท่านค่ะคือก่อนมานี่ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองพอจะน่าจะเข้ามาปฏิบัติได้จิตใจเรื่องจิตใจว่าเออก็รู้สึกดีนะยกมืออะไรก็เออชอบ สบายใจเห็นอะไรเห็นความไม่ดีเห็นเออมันก็หายไปหายไปอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกตึงๆในใจรู้สึกรลบๆในใจนี่ก็หายไปหายไปก็เห็นธรรมดาไปแต่พอมาเข้าเ อ, อปฏิบัติได้วันที่คืนคืนแรกก็อยู่ดีๆนอนตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความเครียดอะเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็โอ้มันแรงมากอะ่ะหลวงพ่อ มันแล้วมันเห็นทั้งตัวแต่ว่ามันมันมีความมืดแต่มันมีความสว่างอยู่บางอย่างแล้วก็ออพอนคลายไปแล้วก็หลับต่อได้แต่พอคืนถัดมาก็เริ่ม ก, ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติก็เลือกปฏิบัติข้างนอกเพอเห็นว่าเ อ, อ๊ะทำไม เ, ออเราเป็นขนาดนี้ก็เลยยังไม่เลือกไม่เก็บอารมณ์ก็เลยปฏิบัติข้างนอกแทนแล้วก็พอปฏิบัติข้างนอก ก็สึก ด, ดีขึ้นแล้วก็พอจะเก็บอารมณ์เดินเข้าไปในห้องแล้วมันมีความเครียดขึ้นมาอีกอารมณ์อะไรต่างๆก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยมาปฏิบัติข้างนอกอีกสักวันหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกพอพอจะเข้านอนอีกทีคราวนี้พอมาอีกวันหนึ่งก็เลือกโอเคแล้วนอนหลับได้หลับสบายดี ก็เลยเข้าเก็บอารมณ์อีกวันหนึง่งคราวนี้ก็ลองปฏิบัติในห้องแล้วนั่งนั่งในใจก็คิดว่าเออห้องมันแคบห้องมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเดินจงกลมก็มันก็แคบเออแต่ว่าก็ต้องลองว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่พอปฏิบัติไปนั่งไปนั่งไปความคิดความความรู้สึกผิดในอดีต ที่เคยไปปรามาหลวงพ่อทูนขีปปันำโยที่ถ้าว่าท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนึกขึ้นมาแล้วเราก็ส่งอีเมลไปหาคนอื่นอีกด้วยเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเลยรู้สึกผิดมากมากอะค่ะแล้วมันก็กลัวกลัวบาปกลัวกรรมกลัวอะไรต่างๆว่าโอ้แล้วนี้เราทําผิดขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วโอ้มันปรุงไปเยอะมากหลังจากนั้นนี่ยิ่งความเครียดมันยิ่งกลับมา นอนไม่หลับไปสองคืนเออแล้วความผิดอย่างอื่นๆมันก็ขึ้นความผิดพลาด อ, าอื่นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยๆืยๆก็ยกมือไปพยายามปรับเปลี่ยนไม่ให้อยู่กับที่ให้รู้สึกตื่นตัวให้แบบอ่าเริ่มไม่รู้ตัวแล้วก็เริ่มอ่าลองปรับดูออกไปเดินเยอะขึ้นกลับมานั่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะทำอยู่เรื่อยๆแต่ก็คิดจะกลับบ้านหลายรอบไม่น่ามาเก็บอารมณ์เลย คือแบบว่าโอ้ยมันกลัวมากอะค่ะมันกลัวสุดๆแล้วกลัวอีกหลายอย่างอะที่ความผิดพลาดในอดีตที่ทํามาแล้วมันก็แต่พอเมื่อวานทําข้างนอกโอ้เวนโอจะขึ้นคือเห็นคนอื่นกลับบ้านก็อยากกลับเหมือนกันนะคะคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาเราเลิกปฏิบัติดีกว่าไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคือแบบคงไม่ได้แล้วคงไปต่อไม่ได้แล้วแต่ก็ทนทํา เพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ก็ลองเดินลองลุกมานั่งลองทาไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันมันเลยเห็นว่าตัวเองกลัวแล้วก็เรียกร้องอยากให้คนอื่นมาช่วยคิดถึงบุญคิดถึงกุศลคิดถึงมันไปเยอะมากอ่ะมันก็เอาใหม่เอาใหม่บอกตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องสอนตัวเองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่ต้องไปโทษคนอื่นเอ่อ ผิดคนอื่นอะไรนะผิดคนอื่นเห็นเช่นภูเขาผิดตัวเราเห็นเท่าเส้นผมก็คอยกลับมาที่ตัวเองอยู่เรื่อยไม่คออ่อยพยายามทำตรงนี้มากกว่าะเลยไม่เหมือนเหมือนปฏิบัติไม่เป็นเลยอะ่ะไอ้ที่จะคอยปรับคอยเปลี่ยนเพลินไปกับความคิดไปกับอะไรตลอดแล้วมันก็ทุกมา แต่อตอนนี้ตอนนี้เมื่อคืนดีขึ้นหลับได้หลวงพ่อบอกให้กลับไปปฏิบัติชักซิ่วบงนละยพอเริ่มปฏิบัติสักหน่อยมันเริ่มอตื่นขึ้นมาหัวนอนไม่หลับหลับเลยก <g ülme> <g ülme> <g ülme> ็ก็เลยเลือกที่จะนอนแต่พอตื่นขึ้นมาก็อมน่าจะปฏิบัติสัหน่อยก็เลยมีความเครียดขึ้นมาอีกแบบเออทําไมเราไม่เลือกปฏิบัติแทนที่จะคือห่วงดอนมากเกินไปแล้วก็กลับมานั่งปฏิบัติใหม่จนเมื่อเช้าก็รู้สึกดีขึ้นน่ะ วิบากกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตเราอ่อนเราแข็งนะถ้าจิตเราอ่อนวิบากมันจะหมดช้าจิตเราแข็งเนี่ยมันจะหมดไวนะเพราะฉนั้นอย่าให้จิตอ่อนหมายถึงว่าถ้าจิตอ่อนเนี่ยมันจะเอาอาดีตมาคิดบ่อยๆถ้าจิตเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันนะอาการที่จะมีวิบากกรรมมากมายขนาดไหนนะถ้าหาจิตอยู่ปัจจุบันได้เนี่ยวิบากกรรมมันหมดเอาเื่อยเลยนะ องคุลิมานฆ่าคนมาเกือบพันใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าดึงเข้ามาอยู่ปัจจุบันอย่างเข้มแข็งแล้วฆ่าคนมาเท่าไหร่รุนเมาเลยอะ่ะเออนั่ น, น, นเพราะฉะนั้นให้ให้นึกตรงนี้ให้ดีจิตในะปัจจุบันเป็นจิตที่มีอนุภาพสูงมากนะแต่ปฏจุบันแบบเข้าใจนะปัจจุบันแบบเก็บกดถ้าปัจจุบันแบบเกิดกิดอันตรายอีกนะพวกพวกสมรดาที่เขาอยู่กับปัจจุบันได้แต่เขาเก็บกดพอเผอปล่อยปั๊บเรื่องที่กดเอาไว้มันโผล่หนักกว่าเก่าอีกนะ เพราะนั้นเรื่องหลับเนี่ยเรื่องนอนเป็นเรื่องที่เราทำได้แต่เรื่องหลับเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเองไม่ได้เรามีหน้าที่นอนพักแต่ไม่มีหน้าที่จะไปบังคับให้หลับเพราะความหลับเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาใช่ไหมธรรมชาติคืออนิจจังทุกอนัตตาเพราะนั้นหลวงพ่อใช้วิธีว่ามีหน้าที่นอนคุณจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของคุณแล้วก็นอนให้สบายมันก็หลับทุกทีแต่ถ้ามันตื่นขึ้นมา อย่างเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาทีสองเช็คม่านตาก่อนว่าเป็นการตื่นที่แท้จริงก็ ย, ยังแสบอยู่นี้พักต่อได้ประมาณ4ี่สิบแปดนาทีเป็นทีสองสี่สิบแปดเช็คม่านตาโปร่งเบาสบายนี่ก็ตื่นลุกขึ้นมาทํา ง, งานต่ อ, อเพราะฉะนั้นมีวิธีตรวจสอบว่าถ้าเรานอนไม่อิ่มนะดูเช็คม่านตาตาหนักไหมตาแสบไหมแสดงว่าไม่พอมันจะขี้ยุ่งขี้ยามก็ดำนะตื่นมากี่ทุ่มกี้ยามก็าตามเราจะตรวจที่ปัจจุบันขณะ อย่าไปว่านอนพอไม่พอบางทีเขาตื่นไวเพราะเาหลับลึกมากเขาตื่นมาไวแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานต่ออย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าตอนร่างกายมันไม่ได้พักยาวตอนกลางวันมันหวยแล้วก็นอนกลางวันต่อก็ได้อีกนิดหนึ่งร่างกายเนี่ยเวลาไหนก็ต้องให้เขาถ้าเขาต้องการนะนะแต่อารมณ์มันต้องระวังต้องตรวจสอบร่างกายให้ดีถ้าหากตรวจสอบร่างกายดีแล้วนี่อารมณ์มันหลอกเราแต่ร่างกายไม่เคยหลอกเราเข้าใจไหม อ่าตรง น, นั้นเอาให้ดี่าติคนสุดท้ายมันกุ้งเอ่อคุณพึ่งนะสุดท้ายกราบหลวงพ่ออ่าพระพิสุสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะรุ่งศิียาไลออนเจ้าค่ะก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่าอืม ค่ะไม่เอาค่ะก็มาช่วงที่เข้ามาเนี่ยก็มีความกังวลแต่ก็ทำตามหน้าที่ไปตามที่หลวงพ่อให้ยกมือก็มีอาการปวดเมื่อยนะคะ ว, วันแรก ก, ก็ยังสบายอยู่ก็เบาสบายแล้วก็สังเกตได้ว่าเวลากลับที่ห้องเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ยเราเราก็รู้สึกตัวมากขึ้น ร, รู้สึกถึงรู้สึกตัวในการหยิบการเคลื่อนบ้างเพิ่มขึ้นบ้างพอวันที่สองก็มีการปวดเมื่อยมากน ะ, ะมีการปวดเมื่อยมากแล้วก็ก็บำบัดไปแบบไม่ค่อยรู้วิธีเท่าไหร่แต่วันหลังจากนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้ขยับ เปลี่ยนท่าทางในการที่จะยกมือเนี่ยก็สังเกตเลยว่าอาการปวดเมือ่อยหายไปมากน่าจะประมาณ 80% ได้ค่ะก็เพราะว่าพอรู้สึกเมื่อยปุ๊บ ก, ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ยนก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อเราเราไม่จมในมันเราก็ไม่เพลินกับท่าที่ชอบนานๆด้วยอย่างปกติ น, นั่งคุกเข่าหรืออะไรก็ตามจะจะยกนานมากแต่สุดท้ายก็เมื่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมันควรจะเปลี่ยนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ที่เป็นคนไม่ชอบฟังปริยัตมากกันนะคะแล้วก็วันที่หลวงพ่อสอนดูไตรสิกขาดูไตรลักษณ์กับไตรสิกขาเนี่ยก็หลวงพ่อก็ก็เมตตามากที่จะสอนแบบละเอียดละเอียดก็จะชี้ลงไปแบบภาษาตัวเองจะเรียกว่าจีอ่ะนะคะแล้ด้วยความที่ เป็นคนที่มีความไม่ชอบสะสมในเรื่องการการการจี้การเหมือนกับไม่ชอบถูกบังคับหรือการสอนแบบจี้แล้วก็ไม่ชอบประยัดอย่างมากอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอย่างรุนแรงมากมากแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นข้อเสียของตัวเองคือเป็นคนเพ่งเวลาเวลายกเนี่ยเคย เคยยกก่อนหน้านี้มาเนี่ยเมือ่อเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมันเคยเห็นความปกติแล้วก็ไปโลภที่จับมันแล้วก็แล้วก็ไปติดอยู่กับมันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นเนี่ยร่างกายจะหยุดหายใจโดยอัตโนมัติทําให้มันมีมีระบบของร่างกายผิดถึงขนาดว่าล้มอยู่ดีๆ ล้มไายหลังไม่รู้ตัวไปเลยเพราะว่าระบบร่างกายมันเสียหมดเลยจากการที่ระบบลมหายใจผิดจากการที่เราไปเพ่งจ้องมันก็ยังติดมานี่คือเป็นการเกือบปีที่ไม่อยากยกมือเลยเพราะว่ากลัวมากแล้วมันยังติดอันนี้คราวนี้ก็ก็มีอาการอย่างนี้เรื่อยๆตลอดมาด้วยยังอยู่เหมือนกันก็การขยับท่าก็จะทําให้เคลียร์ไปอาการแน่นและเกิดลมขึ้นก็ลดน้อยลงแต่พอเกิดภาวะวันนั้นที่หลวงพ่อจี้ปุ๊บคนนี้มันขึ้นตลอดปุ๊บปุ๊ ป, ป๊ในใจก็บอกว่ายอม ยอมยังไงพรรษานี้ฉันต้องอยู่กับหลวงพ่อมาหาดิเรกเพราะนั้นเพราะนั้นต้องยอมแต่มันก็เป็นการกดอหาะข้าในมันไม่ยอมพอเพรวิบากกรรมเนี่ยเอาสั่งสมมาค่อนข้างละเอียดนะะเพราะถ้าหากว่าช่วงไหนที่สติมันอ่อนปั๊บวิบากเลยมโัโผล่ปุ๊บขึ้นมา ตรงนั้นนะมันจะมันจะปลุนมันจะแปรปลุนเลยแหละเพราะนั้นเองในการที่เราสะสมความสุดโต่งมาตลอดนี่นะสุขก็สุ ข, ข, ข, สขมากมากทุก็ทุกมามากเนี่ยดังที่เคยกล่าวว่าพอมาสู่จุดกลางปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการบาลานซ์ทั้งสองส่วนใช่ไหมแต่ที่เราพอพอเราสุดโต่งมาอย่างรุนแรงเนี่ยพอจะกดเข้าสู่จุดบาลานซ์เนี่ยมันดิ่นเนี่ยตรงนั้นเองเขาเรียกว่ามันมันเป็นวิบากของการสั่งสมทั้งส่วนที่เป็นลบทั้งนี้บวกนะ การที่เราพยายามสู่จุดกลางบาลานเนี่ยมันเป็นการสลายสลายทั้งสองขั้วไอ้จะอิงกันเมืองหรือเปล่าเนี่ยไม่อิงนีไม่อิงนีสลายทั้งสองขั้ว ข, ข, ขึ้นมาอยู่จุดศูนย์กลางนะแต่เราจะอยู่ชุนกลางด้วยการเก็บกดหรือจุดชุนกลางด้วยความเข้าใจถ้าจุดชุนกลางด้วยความเก็บกดเขาเรียกว่าปฏการถ้าจุดชูนกลางด้วยความเข้าใจ อาจจะไม่เรียกว่าประชาธิปไตยเนอะธรรมะที่ปไตตยแล้วธรรมะที่ปไตตัยน ะ, ะ, ย <c oughs> ะยนะคุณคุ้เข้าใจไหมคุณพึ่งเข้าใจไหมลักษณะสมดุลอย่างเงี้ยค่ะอะ่แล้วคุณพยายามทําต่อไปอ่ะค่ ะ, ะต่อไปอยังไม่จบประเด็นค่ ะ, ะ ก, ก็ก็เดิมปีที่แล้วกลับมาก็มีที่บอกว่าล้มไงหลังแบบหมดสติไปเลยก็คือมีอาการที่ตามมาคือหัวใจเต้นผิดจังหวะ จากการที่เราหายใจผิดระบบจากการที่เพ่งวันที่ตอนที่จะบวชอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็ตามไปห้วยสวยดแบบกระทานหันสร้างความไม่พอใจข้างในเป็นอันมากเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่บวชเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงหกอาทิตย์อะคะ่ะครูบาอาจารย์ที่ที่เคารพอยู่เนี่ยซึ่งท่านสอนดีมากนะคะทุกคนก้าวหน้าหมดยกเว้นตัวเองเพราะขี้เกียจ น, นะฮะแล้วก็ ก็บอกให้บวชบอกว่าหมดเวลาแล้วต้องบวชแล้วก็ก็จับตารางชีวิตหลวงา่ให้ขายบ้านจริงพ่อมสมนงให้ขายบ้านให้เคลียร์ทุกอย่างหกอาทิตย์แล้วกูจะเคลียร์ได้ยากไหมยากมากใช่ไหม แล้วหลวงพ่อก็หลวงพ่อมหาระทธรมาให้ไปคยสวดก่อนบวชหนึ่งอาทิตย์คือเป็นคนที่เป๊ะมากที่ฟังอาจารย์นิวเนี่ยชีวิตแบบเหมือนกันมากเพราะว่าเพราะเพราะว่าเป๊ะมากตอนตอนสอนหนังสืออยู่มหาวิไลเนี่ยเด็กนักศึกษาก็กลัวหมดเหมือนกันเกิดแล้วก็ตารางทุกอย่างนะอีกสองอาทิตย์เหลือเวลาแค่นี้ นะคนไม่เคยบวชแบบแบบทิ้งทวนะน่าคงไม่เข้าใจอ่ะเนาะคือแบบแล้วหลองพ่อมหาก็เอาเวลาฉันไปอะ่ะตั้งเจ็ดวันนะแล้วก็โทรมาแบบว่าคือแต่เป็นคนยังไม่ให้หลงพ่อพูด <laughs> เป็นคนไม่เคยขับผู้ใหญ่เพราะว่าเหมือนเหมือนถูกเหมือนถูกสอนมาแบบนี้ หลวงพ่อบอกว่าต้องมาเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ถึงวันที่สามสิบไม่รู้เธอยังไงก็ต้องมาไม่งั้นเธอโอเคใจอยารู้ว่าต้องมาแต่ความไม่พร้อมความไม่พอใจความอึดอัดขัดเข้องมันเยอะมากแล้วก็ก็ไปก็ไปที่นูน่นสิ่งที่ได้กลับมาก็คือโอเคธรรมชาติที่จะอยู่เป็นอะไรที่ที่ตัวเองชอบอยู่ละแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือหัวใจเต้นผิดจังหวะ <laughs> คือเราจะรู้เลยว่าว่าเลือดมันไม่เดินแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียมาก เสร็จแล้วก็โอเคตั้งหลักใหม่โอเคบวชน้ำมาพอไตสกขากับไตรักแค่นั้นหละหลวงพอ่อมันบีบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บ, บ, บคือคือถ้าไม่อยู่ในชุดนี้นะคะซึ่งเป็นชุดที่กางกั้นเราไว้เนี่ยออกไปแล้วนาะน <laughs> <laughs> เพราะว่าเคยออกจากคอหลวงพ่อมาแล้ว ที่สวนพันดาวอยู่กุดอย่างเดียวหลวงพ่อพูดเรื่องนรกสวรรค์อะไรปุ๊บเดินกลับห้องเลยนั่นคือมีบากนะใช่ค่ะก็ก็คงต้องเป็นเช่นนั้นก็ก็ฟู๊ฟู๊ฟู ฟ, ฟ, ฟูเห็เลยว่าทุกสวดมันมันตึงเครียดมากแต่ว่าต้องยืนอยู่ต้องตอบโอเคหัวใจมันบีบแล้วสุดท้ายมันค้างบีบแล้วไม่คลายรู้เลยว่ามันขัดเลือด ก็คิดว่าถ้าจะหลงมชนั่งนขนาดนั้นเลยอ่ะใช่โอ้โหนี่ยวิบากสมัยที่เราเป็นคนสอนคนอื่นนะสมัยเคยสอนนักศึกษาใช่ไหมรู้มไหมว่านักศึกษาในสมัยนั้นนะเขาได้รับความเจ็บปวดขนาดไหนนะคุณได้สร้างว่าดังนั้นมันมีฝนตอนนี้นะแต่ก็ยังดีนะมันมีชุดนี้เขามากันไว้ก่อนนะมันงันหลวงพ่อก็อันตรายเหมือนกันนิดนึ ความไม่พอใจของทุกคนคงกลับคืนมาแล้วก็ของตัวเองที่สะสมด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วมันมันปึ๊บออกนีแบบโอเคยืงต่อได้ก็เสร็จแล้วกลับไปที่ห้องก็โอเคปกติเพราะเพราะพอปฏิบัติกับหลวงพ่อคราวเนี้ยหลังจากทานข้าวเสร็จเหลืออะไรก็ตามจะจะจะเห็นข้างในมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นอะไรของคือไม่ใช่เห็นแล้วค่ะมันมันรู้สึกตัวมากขึ้นเราเหมือนกับมันมันนิ่งมากขึ้นแล้วมันก็ พอล้มหัวลงนอนเนี่ยมันก็อยากตึ๊บตแล้วก็เหมือนจะหลับล่างงานไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นก็ก็ตื่นแต่มันตื่นด้วยโทรศัมันตื่นด้วยความไม่พอใจคราวนี้มันเกิดอาการหัวใจที่เหมือนอย่างนี้เป็นมากกว่า น, นี้อีกจนประมาณกับเที่ยงคืนข้างห้องไม่มีนาฬิกาปุกเขาทุกวันเขานึกว่าปุกเขาแล้วเพราะว่าเดินไปเดินมาแล้วก็เปิดตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ ข, า, ขาตื่นมาสารลา โยมตื่นมาสารานึกว่าแม่ชีเขาเรียกตอนเที่ยงคืนเพราะว่าปกติจะเคาะตู้เรียก เ, เขาอะค่ะเพราะว่าห้องติดกันเรียกโยมกรร็ยกโยมก็เดินผ่านห้องไปก็ก็เห็นโยมเดินผ่านจะไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นสาเหตุก็ก็นั่นแหะค่ะพอวันลุ่งขึ้นเนี่ยก็ตัดสินใจจะคุยกับหลวงพ่อจะมาดักหลวงพ่อแต่หลวงพ่อยังไม่มาหลวงพ่อก็ คืออะไรนะพฤติกรรมไม่เหมือนประจํำวันคือหลวงพ่อขึ้นเลยไม่มีจังหวะเลยหรือพวกเราจ้องก็ไม่ทราบหลังออกกําลังกายหลงหวงพ่อก็ห่มผ้าเดินเลยคือแบบจ้องแล้วตอนจะฉันตอนหยิบด้วยเสร็จจะเดินไปก็เงยหันหน้ามาใส่รองเท้าหลวงพ่อหันมาพอดีเดินกลับไปถึงหน้าห้องก็เดินกลับมาก็ก็ต้องต้องศูนทนากับหลวงพ่อให้ได้ก็หลังจากนั้นก็โอเคค่ะก็ ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าต้องอยู่กับหลวงพ่อมหาดีเลยเอามาต้องมาใช่ไหมแสดงว่ากรรมกล้จะหมดแล้วนี่นะถึงมาได้ก็อย่าลืมว่าคนที่เป็นอย่างยมเพื่งนีงอีกมากมายนะที่เรายังไม่โอกาสได้พบกันนะซึ่งออกมาคงจะต้องอยู่รอเพื่อคนเหล่านั้นด้วยนะจะได้ไปล้างบาบล้างกรรมกันนะนันะนี่ก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะเนะี่ย โยมออนประพาพึ่งมาเพราะยังติดหนี้อยูงไม่ได้รายงานนะมารับพิบากกรรมซะดีๆเอาเอาไม้ไปให้โยมออนเราพระพซึ่งเราอาจจะได้ไปเป็นเพื่อนพ า, าลูกศิษย์คนของโยมออนรภพาปฏิบัติเพราะนั้นต้องฟังว่าโยม อ, อนรภพามาปฏิบัติที่สองสครั้เนี่ยได้อะไรบ้างแต่ครั้นี้เป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนานอย่างไรบ้างจะเล่าให้ฟัง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะก็สามารถต่อสู้กับความง่วงต่างๆได้โดยการที่เราเปลี่ยนอิเ ด, ดียบทนะคะแต่มาเพิ่มว่าคราวนี้เราเรามาดูตรงที่ดูตั้งแต่ตาที่เรากระพริบกลืนน้ําลายลงคอเนะะี่ยค่ะคือคือดูไล่ลงไปจนถึงเท้าเรารว่ามันหนักเบาตรงไหนที่หลวงพ่อสอนเกี่ยวกับไตลักให้เป็นไตศิกขาพวกนี้ค่ะ แล้วก็เริ่มมาดูอาการทุกขเวทนาทางกายคือทั้งปวดเมื่อยทั้งปวดหัวไหล่ที่มันอักเสบอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาดูคือจะไม่เปลี่ยนอริบทันทีเหมือนเหมือนครั้งแรกที่เราทําเหมือนตามสัญชาตญาณมากกว่าเนะะี่ยค่ะแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเราก็ตามดูอีกว่าเป็นอย่างไรนะะี่ยค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็พอจะสรุป มีมีอยู่ช่วงหนึ่งพอจะสรุปได้ว่าการเจริญสติสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะนะคะให้ใช้สติตามดูความคิดควบคุมความคิดแต่ไม่ให้ใช้สติในการเพ่งพิดจดจ้องกับมือที่เคลื่อนไหวก็สัน้นนะคะหลวงพ่อค่ะก็คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นกว่าครั้งแรกะคะ่ะครั้งนี้ก็รวมแล้วจากครั้งแรกก็ประมาณสองเดือนกับ สิบแปดวันวันนี้ค่ะแต่ตั้งแต่ที่ปฏิบัติครั้งแรกมาตลอดก็ตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้ทิ้งกลับไปปฏิบัติต่อให้มันต่อเนื่องให้มันมีการพัฒนาทุกวันให้ได้แล้วก็หาโอกาสไปปฏิบัติที่วัดสนามในด้วยค่ะก็จะได้รับความรู้เพิ่ ม, เ, มเติมและทุกครั้งจะพาเพื่อนไปทุกครั้งเพื่อนโน้มน้าวดึงเพื่อนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมกับเรา ตลอดไปทุกครั้งก็จะมีเพื่อนไปใหม่หน้าใหม่ไปด้วยตลอดตลอดจนถึงวันนี้ค่ะก็มันดีกับเราด้วยก็เลากับเราเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ศึกษาใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มแล้วก็ต้องมาสร้างความรู้สึกตัวให้ชัดซึ่งจากเดิมเราเรารู้สึกตัวไม่ชัดเราก็จะมาฝึกให้มันรู้สึกตัวได้ชัดขึ้นมากขึ้น แล้วก็ทำความเข้าใจกับใจรักให้มากแล้วใจรักมันเปลี่ยนเป็นไตรสีกายอย่างไรให้เยอะให้เข้าใจแล้วก็เจริญสติทำให้ได้ทุกวันแม้กระทั่งทำงานระหว่างเดินไประหว่างตึกก็ให้ใช้เจริญสติแบบเดินจงกรมเอามือไพร่หลังประมาณว่าเราเป็นผู้บริหารก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็เดินไปแล้วเราก็ดูความ โล่งปร่งสบายใจสบายไม่สบายความหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อายตนะทั้งหกเราก็ต้องตามดูด้วยอย่าเงี้ยค่ะคือเหมือนให้รับรู้ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสติกับการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาทําในรูปแบบในช่วงที่เราเลิกงานอย่างน้อยให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงก็ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะรับรู้อะไรด้วยตัวเราเอง ก็ท cut ั้งฟังธรรมในช่วงออกกาลังกายก็ทาก็ยังว่าทำไมโง่มาตั้งนานทำไมขี้เกียจออกกาลังกายก็ใช้เวลาในการออกกาลังกายในการฟังเทปธรรมะหลวงพ่อบ่อยๆแล้วว่าพยายามทำให้ได้แล้วมันจะรู้สึกว่ามันมันสดชื่นแล้วก็มันเราแข็งแรงเราจะมีสติแล้วก็เหมือนกับมันทำอะไรได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุข ความคิดจะไม่สามารถเข้ามาหาเราได้จะไม่ปรุงแต่งไปตามความคิดเมื่อคิดก็ให้กลับมารู้สึกตัวมันก็เป็นหลักเป็นหัวใจพยายามให้รู้จากเดิมไม่รู้เลยไม่รู้แม้กระทั่งหลวงพ่อเทียนไม่รู้จักมาปฏิบัติไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรอย่างไรสายไหนอะไรยังไงแม่ไม่ทราบค่ะต้องการมาอุทิศให้แม่ที่ล่วงลับเพราะว่าเป็นบุญสูงสุดที่จะอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับเท่านั้นเอง พเพื่อนบอกว่าให้มาเหมือนผ่อนคลายให้มาเหมือนพักร้อนไม่ต้องคิดอะไรแต่มันเมื่อยนี่มันเมื่อยสุดๆง่วงสุดๆก็แก้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็เปลี่ยนอริยบทแล้วก็ไม่นั่งแช์ไม่นั่งจมนานๆมันก็จะแก้ได้มันก็สู้กับมันได้ค่ะค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี่กี่เดือนแนละ้วสองเดือนกับวันนี้สิบแปดวัน S <S สองเดินฝ่ากันนั่นเองน ะ, ะโอ้วยก็ไวนะัเนาะเพราะเนื่องจากว่าคุณนอนุภาเนี่ยเป็นทหารเพราะฉะนั้นความมีระเบียบวิไไนัยช่วยได้เยอะทีเดียวนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องนี้ไปสู่วงการทหารเนี่ยมันจะไวัมากเลยมาว่านะมาหวังว่าน่าจะได้อ่าเข้าไปช่วยกันอย่างจริงจังอ่าเอ า, เอาต่อไปคนสุดท้ายจริงๆนะคูจิเป็นคนสรุปงานที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ ตอนนั้นเราก็จะปิดโปรแกรมเดี๋ยวเราถามกันหลังใหม่นี่เดียวโอเคโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้แล้วเรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อตอบอีกทีนะ <c oughs> ขอคุจีสรุปงานใช่ไหมคะเจ้าคะ หลวงพ่อ๋ยื่ตัวเครื่องเพนะ้อไปโหลดกระเป๋าอีกจ้าก็ก า, สส ก, การนมสการหลวงพ่อนะคะพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรทุกท่านค่ะก็ปฏิบัติสำหรับคอร์สนี้ก็ทำงานไปปฏิบัติไปแต่ก็พยายามเจริญสติในการทำงานด้วยนะคะก็ คอาตนี้ก็มีเรื่องวุ่นวายหลายเรื่องที่ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดนะฮะก็ก็ผ่านไปนะะก็ผ่านไปแต่วบาบางทีบางทีเราก็ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอพอมาได้ฟังคนพูดเดี๋ยบางทีเห็นว่าโอ้มันร้ายแรงมันร้ายแรงมันตีกลับมาเลยเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา มันมันจะมองข้ามมันจะมองข้ามไปเนะี่ยเพราะว่าปฏิบัติมาเนี่ยทํางานทํางานทํางานถวายหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยช่วยงานเผยแพร่ไปด้วยเนี่ยงานมันจะเยอะมากงานมันจะเยอะแล้วก็ส่วนมากในรูปแบบเราไม่ค่อยได้ทําเยอะไม่ค่อยได้ทําเยอะนะแต่เพราะนั้นเราก็มามาไอใส่ใจนอกรูปแบบแล้ว การกระทบนะ่มันจะเยอะมากจากกิเลสทั้งหลายอะทั้งกองเล็กกองใหญ่อะก็จะจะโดนจู่โจมตลอดถ้าเป็นนักมวยก็จะดองจะต้องยกกาดตลอดฮนะยกกาดตลอดเลยฮะนะบางทีมันก็มีแผ่วเหมือนกันต้องการน้ำเหมือนกันบางทีนะฮะก็มามาที่ข้อสรปุปนะว่าการจรัดคอสแต่ละครั้งเนี่ยของหลวงพ่อท่านนะ่ะบางทีเราบอกคอดเข้มเนี่ย มันไม่เข้มมันไม่เข้มนะแล้วก็ลูกศิษย์ก็หลากหลายหลากหลายนะแล้วเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยเราต้องบริการทีนี้เวลาคนมาหาเราอะ่ะมันมีทั้งกิเลสก้อนใหญ่ก้อนเล็กเข้ามาแล้วก็มาก็สนิทกับเราหมดอะ่ะที่นี้เวลาไปทําอะไรอะ่ะที่ไม่ดีอะ่ะคนก็จะว่าเราทำเนี้ยเราทำเยบางทีก็เดี๋ยวดีๆเฉยๆอะ่ะเฉยๆแต่ว่าพอบางทีภาพมันมั น, ม, นมันไปถึงหลวงพ่อ เป็นภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องคอยแก้คอยแก้ไขนะะว่าจะให้มันทุเลาไปยังไงบางทีมันก็ปล่อยผ่านมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าต่อไปนี้เราอาจจะรัดกลุมมาะจ๊ะข้าหลวงพ่อคงจะรัดกลุมข้อเราอนะ่ะคงจะเข้มกว่านี้ปิดวาจาก็ปิดวจาดวจาจริงๆนะไม่ไมามาคุยกันมาถามนั่นถามนี่บางทีถามเรื่องไร้สาระปรีปรีมาถามมันนึกว่าจะถามเรื่องสภาวะ ไปถามเรื่องอื่นนะซึ่งซึ่งถ้าเรามาทํามาม า, มาปฏิบัติจริงๆแล้วมาขัดมาขัดใจนะใครที่นม่ใส่ตามใจตัวเองเนี่ยต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าเรามาขัดใจถ้าเราขัดใจเราไม่ได้เนี่ยอย่างอย่างตัวเองเนี่ยมาขัดใจต ล, ลอดขัดใจตัวเองเมื่อทีจะกินนั่นั่นก็ไม่กินจะกินนี่นี้ก็ไม่กินนะคะแ ค, แค่แค่จะเดินทางกลับเนี่ย เดี๋ยวไปรถไฟหรือไปรถทัวเนี่ยกว่าจะได้บุญหลวงทักไปเครื่องบินนี่มันยากมากคือต้องขัดใจอ่ะขัดใจใครว่าดูแล้วหลวงพ่อจะท่านจะสร้างสถานการณ์ให้เราอยู่กับปัจจุบันอ่ะถ้าจะถามล่วงหน้าพรุ่งนี้โดนตอกหน้าเลยแหละก็คือให้เราอยู่ปัจจุบันคือสถานการณ์จริงๆสดสดถ่ายทอดสดเลยนะไม่เอาแล้วบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าใครมาถามอ่ะอันนั้นจันนั้นจะทําันนั้นยังไงที่มันเป็นพรุ่งนี้ไปนะี่ย จิตมันแหยงเลยมไม่อยากพูดอ่ะมันแหยงเลยอ่ะนะมันเหมือนไม่ดูสิมันเปลี่ยนไปอ่ะนะถ้าปฏิบัติธรรมนะบางคนปฏิบัติมานานบอกได้อารมณ์ดีๆนะแต่ว่านีใสัยยังไม่เปลี่ยนยังชอบเอาเปรียบชอบโคดโกงชอบชอบฉนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ชอบฉนอยู่อะไรเนี่ยจิตไมนต้องเป็นมีศีลเนนะี่ยถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าปฏิบททัติธรรมจิตเป็นปกติจริง ใจกับกายมาเป็นปกติจริงเนี่ยมันสีลมันต้องมีอ่ะแต่นี่ไม่มีศีลปฏิบัติได้รมแต่บางคนะศีลยังยังไม่ได้ก็ออยังไปวุ่นวายนิสัยพูดมากวุ่นวายจุนจ้านอยู่เหมือนเดิมแต่แต่กับของตัวเองนี่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆและชีวิตก็จะจืดชืดไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีสีสันอ่ะมันจะจืดไปจืดไปมันก็จะเปลี่ยนทําอะไรมันก็จะมี เหมือนคุณอะไรพูดเมื่อวานมันจะมีตัวคุมของเราอยู่บางทีมันจะขึ้นมาคุมแต่แต่บางทีมันก็เป็นอัตโนมัติของมันไปอัตโนมัติไปเลยเหมือนเหมือนเหมือนเกียร์กระปุกเกียร์โต้เนี่ยมั้บางทีก็เป็นเกียร์บ่งบางทีก็เป็นเกียร์โต้คือมันจะมีตัวเบรกตัวห้ามตัวตัวตัดแตะตัวตัดที่เราจะไปทําอากุศลหรือบางทีกุศลอย่างเนี้ยมันก็มันจะมีตัวตัดของมันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าสภาวะอะไรว่างอะไรอันนี้ ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ค่าตรงนั้นแต่ว่าเวลากระทบยอมแล้วต่กระทบแรงมากแต่ละทีแรงแรงแรงแรงเนี่ยนะบางทีก็ต้อแตะตอแต้เหมือนกันนอนดูลงไมใจเหมือนกันมันก็ฟื้นมาเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ก็คิดว่าบางทีตัวเองก็ตรวจสอบนะว่าเออตัวเองอาจจะให้บริการดีเกินไปมันเลยทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า ที่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะแต่คอสต์นี้นะถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลายท่านนะ่ะกำลังเดินจงกรมอยู่ดีๆแล้วก็เกิดมีเหตุการณ์ที่ทาให้ติดอารมณ์นะก็ขอขามานะขออโหสิกรรมที่ว่าไม่ได้ดูแลคอสต์ดีทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะ ก, ก็ก็ขออย่าได้เป็นเบรนเป็นกรรมต่อกันนะคะขออโหสิกรรมด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนะี่ยตั้งใจขัดใจตัวเอง ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องหวังนิผงนิพานอะไรหรอกเอาแค่ขัดใจตัวเองแล้วเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ให้มันให้มันให้ความอยากมันเบาลงๆๆเบาลงเบาลงเน่ะก็พอแล้วเอาแค่เนี้ยเอาแค่นี้ก่อนนะนะสำหรับตัวเองเอาแค่นี้ก่อนจริงจริงแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยชีวิตมันเปลี่ยนไปเองความโกรธบางทีจะโกรธเนี่ยมันเห็นโทษเลยเหมือนน้องเขาบอกว่าที่หัวใจบีบอันนี <well> ้ตัวเข้าใจเลยครั้งสุดท้ายที่เห็นเนี่ยเหตุขยับตอนหลังเลยเรยโกรธ เพราะรู้ว่าถ้าโกรปุ๊บมันจะทำร้ายตัวเองก็เลยรียบมาตั้งเนี่ยมารู้สึกตัวรู้สึกตัวต้องเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวจากการเคลื่อนไหวเนี่ยบิดเท้าไดก็ได้บางทีนี่นขนาดเราเคลื่อนไหวแล้วมวารู้สึกตัวนะบางทีมันไม่เข้มแข็งเนี่ยมันยังมีไอร้อนนะไอร้อนแผ่มาเหมือนจะเผาเรานะเนี่ยถ้าอยู่กับคนที่อกุศลนี่นะ่ะมันก็รู้เลยว่าสัมผัสกับความร้อน นี่ต้องพกน้ํายานางสกัดติดตัวตลอด <c oughs> นะคะก็ไม่ต้องอะไรมากก็ต้องตั้งตังเต้าหรอกแล้วที่นี่ขัดเกานิ่ใสของตัวเองไปมันมันเป็นของมันเองค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะลดของมันเองแต่ถ้าสมมติว่าไม่ตั้งใจอย่างนี้นะยังตามใจกินเห็นอาหารก็ น, นี่อะไร น, นี่อะไรโอ้ น, นี่อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยแค่ตักอาหารเนี่ยอันนี้ก็สอบตกแล้วอ่ะ สอบตกแล้วไม่ต้องไปเอายังอื่นหรอกไม่ต้องมีวอลห้าไม่ต้องเอาหรอกโอเคอนี้เล็กเ็กน้อยนยเนี่ยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ล่อนไปนะคอร์สน้นคอร์สนี้คอร์สนู้นทำมาหมดบอกน้องนะบอกน้องบอกน้องเขาบ่าน้องพี่รู้พี่ทํามาแล้วอันนี้พี่ทํามาแล้วนี่พี่ทํามาแล้วพี่ทํามาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครผิดพลาดในคอร์สเนี่ยจะสงสารจะสงสารนะแต่ว่าแต่ว่าอย่าใช้ความสงสารของพี่เนี่ยไปทําร้ายตัวเอง นะอยากฝากไว้ว่าอย่าอย่าอย่าเอาความใจดีของพี่อ่ไปทําร้ายตัวเองเพราะว่ามันไม่ทําร้ายพี่อยู่แล้วแต่ว่ามันจะทําร้ายตัวคุณถ้าคุณยังยังไม่ไม่ไปขัดเกลีนิสัยตัวเองนะทีนี้การทํางานเนี่ยทําไมต้องมาทํางานกับหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราเราเห็นว่าเราพัฒนาจิตจิตใจเราพัฒนานิสัยเราพัฒนาขึ้น จากที่เมื่อก่อนนี้เราไปโขนโมโหร้ายในนี้ไม่ชีพูดเนี่ยมันใช่มันใช่ไม่นมันไม่ใช่ตัวเองสมัยก่อนเลยใช่หมดอ่ะเพราะผู้หญิงเก่งเนี่ยจะทุกผู้หญิงที่เก่งเนี่ยทำอะไรเนีทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยจะทุกคนเก่งจะทุกคนโ ง, ง่ น, นี่เขาไม่ค่อยทุกนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเก่งเนี่ยถ้าถ้าพลิกวิกฤติเป็นโอกาสนะ่ะก็จะรู้ทําเร็วจะรู้ทําเร็วเพราะมันทุกข์มาก มันจะเห็นทุกนะคะมันจะเห็นทุกเพราะเห็นทุกมันก็เห็นธรรมน ะ, นะะก็อยากจะฝากไว้แค่นี้นะแล้วก็มีอะไรที่จะให้แก้ไขก็ก็ฝากฝากมาได้ทางไลนทางอะไรนะคะก็สำหรับกองทุนสื่อของเรานนะวันนี้มีมีเอ็มพีสามแฟลไดเอ็มพีสา 3, มาถวายหลวงพ่อแจกนะค ะ, นะคะก็เดี๋ยวรับจากหลวงพ่อมันมีเป็นของคอร์สอ่ะ ปรมาณธภาวนาที่สามสิบสามสิบวันซึ่งหลวงพ่อสอนตั้งแต่ง่ายไปหาจนจ น, นลิพานเลยแหละจากจะง่ายเลยไปนนลิพานเลย <c oughs> <c oughs> ก็แล้วมีของคอสนี้ค่ะเนาะสําหรับใครที่เอาไปก่อนนะเอาไปก่อนให้เอามาแลกเพราะว่าเอานั้นมาคืนแล้วเอานี้ไปเพราะอันนี้มันจะได้ของคอสนี้เพิ่มเนาะก็ขอบูทนากระทุ่ท่านนะคะที่ได้อารมณ์ดีกันฮสาธุค่ะคุณชุดคุณจิ อยู่ใกล้ไฟใกล้หลวงพ่อหน่อยโดนชาร์จบ่อยมันชาร์จจนดนแบตคือเอามาว่าการที่เราจะเข้าสู่ความจริงอันเปรส่องเนี่ยเราจะต้องพูดจริงทำจริงคิดจริงแต่ว่าการพูดจริงทำจริงจะต้องปล่อยวางด้วยถ้าปล่อยวางไม่เป็นการพูดจริงทำจริงที่จริงมันจะทำร้ายเราฮะ ไฟเนี่ยมันของจริงใช่ไหมถ้าคุณกรรมแล้วคุณปล่อยไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไหม้มือเรานะดังนั้นเองก็ฝึกไปรเรื่อยๆพราะมีฝึกกับฝืนถ้าเรารู้สึกฝืนอยู่การฝึกเราก็จะไม่สมบูรณ์นะมันมาด้วยกันการฝึกเป็นไตรสิขาการฝืนเป็นไตรรักนะขัดก็มีสองขัดถ้าขัดเก่าเป็นไตรสิขาถ้าขัดเครืองเป็นไตรรักมันจะมีคู่กันอยู่นี่เสมอแต่คุณจะเลือกขัดไหน ถ้าหลงเป็นใจรักถ้ารู้เป็นใจคุณกุ้งไม่ต้องเอาใจรักใจศิขาก็ได้นะเอารู้กะหลงก็พอเดี๋ยวจะไปบีบหัวใจคุณใหม่ก็จะย่งก็จะคุณกุ้งคุณพึ่งเนี่ยหลงคุณพึ่งไปคุณพึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับถึงวิบากกรรมนะ หลวงพ่อก็ไม่ต้องการฟื้นแต่คุณมาเจอหลวงพ่อเนี่ยเพื่อมาชําระวิบากกรรมคุณก็ต้องเจ็บปวดหน่อยเท่านั้นเองนะหลวงพ่อก็ม่มีเจตนานะแต่ว่ามันเป็นวิบากนะที่เราต้องมาเจอหมอผ่าตัดนะว่าจากหมอเจะคนอื่นหรือเอายารูบๆคํามานานแล้วหลวงพ่อจับผ่าตัดคุณก็ทนเจ็บปวดหน่อยก็แล้วกันนะแต่แผลเลยหายแล้วหายเลยนะมันจะไม่เป็นอีกนะก็ขอขอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของทุกท่าน เพราะว่าเรามานี่เรามาทําสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะมาทําเล่นไม่ได้ถ้าเราทําเล่นกับสิ่งสูงเราก็จะตกตำ่ำเถ้าเราเล่นกับสิ่งต่ตําๆแล้วทําใจเป็นสูงเราก็จะตกต่ํายิ่งกว่าอีกนะที่ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายสิ่งใดที่หลวงพ่อผิดพลาดบุกร่อโดยกายวาจาใจไอ้สิ่งนั้นก็ให้เป็นอโหสีกรรมกันไปแต่เอาสิ่งใดที่มันยังตกค้างอยู่ก็สามารถที่จะไป ศึกษาและปฏิบัติสอบถามได้ตลอดเวลาก็ขอให้สิ่งที่เราศึกษาปฏิบัติเนี่ยจงเป็นเพราะประจายให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมทางสติปัญญาสามารถจะเห็นความจริงทะลุปลูกวงแล้วไม่ติดข้องไม่ติดขัดไม่ติดเครื่องในสิ่งเหล่านั้นตลอดกาลละนานถืนกลับรับความกันตอนที่จะลุกไปเดี๋ยวคุณม่หยิบเอานี่นะกละดาน เพรเดี๋ยวนี้เราแจกแล้วเพราะเมื่อก่อนเราจำน่ายโดนโจมตีขนาดหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องขันมาแจกอ้อนหลวงพ่อเข้ามาแทนแล้วไงเมื่อกี้หลวงพ่อให้เข้ามาแล้วหมายความเอาโหัวซีกันไปแล้วนะเออโมกซีกันแล้วอ่าเต็มตัว ระหังสมาสัมพุทโธพระข่วาพุทธังพระวันตังอภิวาเดมิสวะขาโตัวพระวะตตาธโมธัมมังนัมสามิ สุปาติปโ น, นวภาควะโตสาวกะสังโคสังขังนา ม, ามิใครพร้อมก่อนก็ไปตักอาหารก่อนใครไม่พร้อมก็ไปทีหลังได้สบายๆไม่ต้องรีบนะขอบคุงพรอง ได้นี้เราแจกนะแล้วก็อย่างที่โยมออนประภาว่าในช่วงที่ออกกําลังกายเราฟังธรรมะไปด้วยอุมันได้ทั้งสองอย่างเลยนะตอนเช่ามาก็เลยเปิดของหลวงพ่อเจ้าคุณพยุทธ์ในช่วงที่ออกกำลังกายนะเออเป็นวัยที่ดีมากนะแล้วก็บางทีเราจะเชิญอาจารย์ไหนมาก็ได้เพราะว่าเรามีมือถือกันอยู่ทุกคนนะ